พุทธวิธีในการสอนสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตแนะนำเนื้อหาเบื้องต้นจากผู้บันทึกเสียงการเข้าใจแนวการสอนของพระพุทธเจ้าสำคัญมากต่อการศึกษาธรรมเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ศึกษาควรเข้าใจให้ชัดให้ตรงซึ่งจะส่งผลดีให้เข้าใจพุทธวจนะได้ถูกต้องหลายครั้งที่คนท่องจาคาสอนมาอ้างยิงยึดถือ แต่กลับตีความผิดด้วยไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ทรงแสดงนั้นมีความหมายหรือจุดประสงค์ในการสอนให้เหมาะกับอุปนิสัยที่ทรงมีวิธีสอนแตกต่างกันอย่างไรทําไมเรื่องเดียวกันสอนแต่ละคนแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันหรือมีระดับในการปฏิบัติต่างกันจึงยกมาอ้างใช้กับทุกคนในทุกกรณีไม่ได้อย่างไรหลายคนตีความพระไตยปิฎกผิด ก็เพราะไม่เข้าใจถึงวิธีการสอนที่มีหลายแนวทางซึ่งสมเด็จท่านประมวลมาแสดงไว้ให้ได้ศึกษากันอย่างครบถ้วนนอกจากส่งผลดีให้เราเข้าใจพุทธธรรมได้ตรงลึกซึ้งมากขึ้นยังส่งผลดีต่อการเผยแพร่ธรรมการสอนศิลธรรมการปรับไปใช้การสอนลูกที่บ้านสอนศิษย์ที่โรงเรียนใช้เป็นหลักตักเตือนแนะนาผู้ร่วมงานแม้ในเรื่องทางโลกให้ได้ผลดีได้จริงอีกด้วย ด้วยความเข้าใจว่าการสอนที่ดีควรเป็นอย่างไรซึ่งปรับมาใช้ได้หลากหลายไม่ใช่แค่เกี่ยวกับธรรมะเท่านั้นนะครับทุกวันนี้เรามีสิ่งที่ดีที่สุดในสังสารวัฏคือพระพุทธศาสนาและยากนักกว่าจะปรากฏให้ได้ศึกษาได้ง่ายแบบนี้แต่ปัญหาคือการสอนที่ดีจริงที่พระพุทธเจ้าทรงทาเป็นตัวอย่างให้เห็นและปรากฏหลักฐานชัดเจน กลับหาคนที่เข้าใจวิธีการสอนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับกลุ่มคนแต่ละระดับได้จริงได้ไม่มากนักโดยเฉพาะคนที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายทางการศึกษาจึงจะเห็นได้ว่าแม้จะมีวิชาพุทธศาสนาบังคับเรียนแต่เด็กมีวัดจำนวนมากมีการสอนธรรมจริงจังมีการส่งเสริมศิลธรรมกันอย่างกว้างขวางหมดงบประมาณเป็นจนวนมาก แต่ผลที่ได้กับคนส่วนใหญ่และคนรุ่นใหม่กลับได้ผลน้อยหรือไม่สามารถผลิตพุทธแท้แบบไม่สุดตรงที่เข้าถึงพุทธวจนะในเชิงลึกเข้าใจกฎแห่งกรรมจริงและตั้งใจรักษาสีน5ห้าด้วยความเข้าใจจริงเข้าใจการภาวนาเจริญสติที่อยู่ในทางสายกลางได้มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับการอ้างความเป็นพุทธของแต่ละคน การรู้แนววิธีการสอนของพระพุทธเจ้าจำเป็นมากต่อการเข้าใจธรรมที่ลึกซึง้งและจะดีต่อการสืบทอดพระศาสนาได้ยืนนานยิ่งขึ้นต่อไปอย่างน้อยถ้ามาอ่านคำมพียหรือตำราอื่นหรือพระไตรปิฎกก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือเข้าใจได้ตรงกับจุดประสงค์ในการสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นนะครับสาหรับเสียงงานทุกเรื่องนั้นขอให้ฟังเพื่อทาความเข้าใจเบื้องต้นหรือไว้ฟังทบทวนเท่านั้น หากต้องการนําเนื้อหาไปอ้างยิงโปรดตรวจสอบกับต้นฉบับหนังสือล่าสุดก่อนเท่านั้นเพราะอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือในการบันทึกเสียงอาจมีการตกหล่นหรือผิดพลาดได้นะครับพุทธวิธีในการสอนอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักวิพาวริศวงวานโสภาและสกุณาสีโพ ค, คาครอบครัวเยมวงศีเจ้าภาพรองครอบครัวทาวอหิรัญเจริญ ครอบครัวอธทิสกุลสุดาพรตองสิริร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตสภัทานังธรรมะานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอทุกท่านร่วมอนุมโมทนาและร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับ เสียงานหนังสือพุทธวิธีในการสอนสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ปออปยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่26หัวข้อที่สำคัญภายในตอนที่หนึ่งปรัชญาพื้นฐานตอนที่สองคุณสมบัติของผู้สอนบุคลิกภาพคุณธรรมพระปัญญาคุณคือทศพลายานและปฏิสัมพิทาสีพระวิสุทธิคุณพระกรุณาคุณ องค์คุณของกัลยาณมิตรเจ็ดละพุทธกิจประจําวัน5ตอนที่สหลักทั่วไปในการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอนหลักการตรัสพระวาจาหประการเกี่ยวกับตัวผู้เรียนเกี่ยวกับตัวการสอนองค์แห่งพระธรรมกะถึกตอนที่4ลีลาการสอนตอนที่5วิธีการสอนแบบต่างๆแบบสาธกชฉาหรือสนทนา แบบบรรยายแบบตอบปัญหาโดยวิธีตอบสี่อย่างแบบวางกฎข้อบังคับตอนที่6กกลวิธีและอุบายประกอบการสอนการยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบการเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมาการใช้อุปกรณ์การสอนการทําเป็นตัวอย่างการเล่นภาษาเล่นคําและใช้คําในความหมายใหม่อุบายเลือกคนและการปฏิบัติรายบุคคล การรู้จักจังหวะและโอกาสความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการการลงโทษและให้รางวัลคนละวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภาคผนวกนิเทศอาทิตตปริยายสูตรคำอธิบายเชิงวิจารณ์ในแง่วิธีสอนในแง่าสาระสำคัญหรือหลักธรรมและสิ่งสำคัญที่พึงระลึกพุทธวิธีในการสอน พระนามอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ปราดได้ขนานถวายและพุทธศาสนิกชนนิยมกล่าวเรียกเสมอคือคําว่าพระบรมศาสดาหรือพระบรมครูซึ่งแปลว่าพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมหรือผู้เป็นยอดของครูในภาษาบาลีก็มีบทพุทธคุณถวายพระเกียรติว่าสรัทธาเทวมนุษย์นังแปลว่า พระสสดาของทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายและมีคำเสริมพระคุณว่าอนุตโรปุริสธรรมมสารถิแปลว่าเป็นสารติฝึกคนได้ไม่มีใครยิ่งกว่าพระนามเหล่านี้แสดงความหมายอยู่ในตัวว่าปราดและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเคารพ บ, บูชาและยกย่องเทิดทูนพระองค์ในฐานะทรงเป็นนักการสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทรงมีพระปรีชาสามารถอย่างยอดเยี่ยมในการอบรมสั่งสอนและได้ทรงประสบความสำเร็จในงานนี้เป็นอย่างดีความยิ่งใหญ่และพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าในด้านการสอนนั้นถ้าจะพูดให้เห็นด้วยอาศัยประจักษ์พยานภายนอกก็เป็นเรื่องไม่ยากเพราะเพียงพิจารณาเผลนๆจากเหตุผลง่ายๆต่อไปนี้ก็จะนึกได้ทันทีคือหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัตในยุคที่ชมพูทวีปเป็นถิ่นนักปราชเต็มไปด้วยศาสดาาจารย์เจ้าลทัทธิต่างๆเป็นอันมากแต่ละท่านล้วนมีชื่อเสียงและมีความสามารถผู้ที่มาเผชิญพระองค์นั้นมีทั้งมาดีและมาร้ายมีทั้งที่สแสวงหาความรู้มาลองภูมิและที่ต้องการมาคมมาปราบแต่พระองค์สามารถประสบชัยชนะในการสอน จนมีพระนามนำเด่นมาถึงปัจจุบัน 2. องคำสอนของพระองค์ขัดแย้งกับคำสอนในศาสนาเดิมและแย้งกับความเชื่อถือความประพฤติปฏิบัติที่แพร่หลายอยู่ในสังคมสมัยนั้นเช่นการทำลายความเชื่อถือเรื่องวันณะเป็นต้นทรงจัดตั้งระบบคำสอนและความเชื่อถือยังใหม่ให้แก่สังคมการกระทาเช่นนี้ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางย่อมเป็นงานยากย่างยิ่ง 3. ขอบเขตงานสอนของพระองค์กว้างขวางมากทั้งโดยเทศะและระดับชนในสังคมต้องเสด็จไปสั่งสอนในหลายถิ่นแคว้นพบคนทุกชั้นในสังคมซึ่งมีระดับความเป็นอยู่ความเชื่อถือการศึกษาอบรมนิสัยใจคอ และสติปัญญาแตกต่างกันทุกแบบทุกชนิดทรงสามารถสอนคนเหล่านั้นให้เข้าใจได้และยอมเป็นสิทธิ์ของพระองค์นับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาทีเดียว 4. พระพุทธศาสนาที่เจริญมาได้ตลอดเวลานับพันพันปีแพร่หลายเป็นที่นับถืออยู่ในประเทศต่างๆและคณะสงฆ์ผูสืบต่อพระศาสนา ซึ่งเป็นสถาบัานใหญ่และสำคัญในสังคมดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเป็นผลงานยิ่งใหญ่ของพระองค์ยืนยันถึงพระปรีชาสามารถอย่างประจักษ์ชัดโดยไม่ต้องอธิบายในเมื่อประจักษ์พยานภายนอกแสดงให้เห็นแล้วเช่นนี้ย่อมชวนให้พิจารณาสืบค้นต่อไปถึงเนื้อธรรมคำสอนหลักการสอนและวิธีการสอนของพระองค์ว่าเป็นอย่างไร ยิ่งใหญ่และประเสริฐสมจริงเพียงใดเนื้อพระธรรมคําสอนหลักการสอนและวิธีการสอนของพระพุทธองค์นั้นปรากฏอยู่แล้วในพระไตรปิฎกและคำพีอธิบายมีอัตถคถาเป็นต้นแล้วแต่คัมภีร์เหล่านั้นมีเนื้อหามากมายมีขนาดใหญ่โตเกินกว่าจะสํารวจเนื้อหารวบรวมความนํามาสรุปแสดงให้ครอบคลุมทั้งหมดในเวลาอันสั้น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 คือผู้เรียนต้องเป็นอิสระในการใช้ความคิดและในการที่จะซักถามโต้ตอบสืบเสาะค้นหาความจริงต่างๆให้ได้รับความรู้ความเข้าใจขึ้นในตนในระบบการศึกษาแบบนี้จึงมีการปฏิบัติอย่างกาลามสูตรไม่มีการบังคับให้เชื่อความเชื่อหรือศรัทธาในระบบการศึกษานี้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 ความรู้ในที่นี้ควรแยกเป็นสองประเภทคือ 1. สุตตะคือความรู้จากการสระดับฟังหรือเล่าเรียนอ่านรับถ่ายทอดจากแหล่งความรู้ต่างๆการสั่งสมความรู้ประเภทนี้ไว้ได้มากเป็นฐานของผาหูสัจจะที่แปลว่าความเป็นพาหูสูตรคือความเป็นผู้คงแก่เรียน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 จึงจะเริ่มแต่คุณสมบัติของผู้สอนไปทีเดียวตอนที่2คุณสมบัติของผู้สอนในที่นี้จะแสดงตามแนวพุทธพจน์และเห็นควรแยกเป็นสองส่วนคือเป็นคุณสมบัติที่ปรากฏออกมาภายนอกอันได้แก่บุคลิกภาพอย่างหนึ่ง และคุณสมบัติภายในอันได้แก่คุณธรรมต่างๆอย่างหนึ่งในด้านบุคลิกภาพจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระลักษณะทั้งทางด้านความสง่างามแห่งพระวรกายพระสุรเสียงที่โน้มนำจิตใจและพระบุคลิกลักษณะอันควรแก่ศรัทธาประสาทะทุกประการดังจะเห็นจากตัวอย่างที่ทราบกันทั่วไปและที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ต่างๆ เช่นนจังกีสูตรมัชิมะนิกายมัชิมะปัญนาตทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะ32ประการและอนุพยันชนะ8ปสบประการที่พระวรากายสง่างามอย่างที่มีผู้ชมว่าพระสมณโคโดมมีพระรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสมีพระชวีวันผุดผ่องยิ่งนักวันนะและพระสรีระดุดดังพรม หน้าดูหน้าชมนักหนาทรงมีพระสุรเสียงไพเราะและตรัสพระวาจาสุภาพสละสลวยอย่างคำชมของจังกีพราหมณ์ที่ว่าพระสมณะโคดมมีพระวาจาไพเราะรู้จักตรัสถ้อยคำได้งดงามมีพระวาจาสุภาพสละสลวยไม่มีโทษอย่างผู้ฟังให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดแจ้ง และคาของอุตรามานกที่มีมาในพรมมายุสูตรที่ว่าพระสุรเสียงที่เปล่งกล้องจากพระโอษนั้นประกอบด้วยคุณลักษณะ8ประการคือแจ่มใสหนึ่งชัดเจนหนึ่งนุ่มนวลหน 1, ึ่งชวนฟังหนึ่งกลมกล่อมหนึ่งไม่พราหนึ่งซึงหนึ่งกังวานหนึ่งหรือตามมหาบุรุษลักษณะข้อที่29จากทีฆานิกายมหาวักว่า มีพระสูระเสียงดุจพรมตรัสมีสำเนียงใสไพเราะดุจนกกาละเวกทรงมีพระอากับกิริยามารยาททุกอย่างที่งดงามน่าเลื่อมใสเริ่มแต่สมบัติผู้ดีและมารยาทอันเป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนพระบุคลิกลักษณะที่เป็นเสน่ห์ทุกประการพร้อมไปด้วยความองอาจความสง่างามความสงบเยือกเย็น การแสดงธรรมของพระองค์นอกจากจำแจ้งด้วยสัจธรรมแล้วยังก่อให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินสุขใจชวนให้อยากฟังอยากใกล้ชิดพระองค์อยู่ไม่ไาวอย่างคำชมของบุคคลต่างๆเช่นนี่ท่านปิงขียานีมองเห็นสาระประโยชน์อันใดจึงเริ่มใสยในยพระสมณาคโคดมถึงเพียงนี้ท่านผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษ ผู้อิ่มในรถอันเลิศแล้วย่อมไม่ปรารถนารถอื่นๆที่เลวชั้นใดบุคคลฟังธรรมของพระสมณโคโดมพระองค์นั้นโดยลดักษณะใดๆจะโดยสุตตะโดยเคยะโดยวายกรหรือโดยอภูตรธรรมก็ดีย่อมไม่ปรารถนาวาทะกของสมณะเป็นอันมากเหล่าอื่นโดยลักษณะ น, นั้นๆเลยชั้นนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้หิวและอ่อนเพลีย มาได้รวงพึ่งก็พึ่งลิ้มรสยอมได้รสแท้แสนชุ่มชื่นฉันใดบุคคลฟังธรรมของท่านพระโคโดมพระองค์นั้นยอมได้รับความดีใจปราบลื้มใจฉันนั้นเปรียบเหมือนบุรุษได้ไม้จันเป็นจันเหลืองหรือจันแดงจะสูดกลิ่นตรงที่ใดจะเป็นรากลำต้นหรือที่ยอดก็ยอมได้กลิ่นหอมสนิทเป็นกลิ่นแท้ฉันใด บุคคลฟังธรรมของท่านพระโคโดมพระองค์นั้นก็ยอมได้ปราโมทได้ความโสมนัสฉันนั้นเปรียบเหมือนบุรุษอาพาธเจ็บปวดเป็นไข้หนักนายแพทยผู้ฉลาดพึงบำบัดอาพาธเขาได้ฉับไวชันใดบุคคลฟังธรรมของท่านพระโคโดมพระองค์นั้นแล้วความโศกเศร้าปริเทวนาการความทุกโทมนัดและความคับแคนใจของเขายอมหมดไปฉันนั้น เปรียบเหมือนสระใหญ่มีน้ำใสเย็นจืดสนิทน่าเจริญใจมีท่าราเปรียบหน้ารื่นรมบุรุษผู้ร้อนด้วยแสงแดดถูกแดดแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายเดินมาถึงเขาลงไปอาบดื่มในสระน้ำนั้นพึงระ ง, งับความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความเร้าร้อนทั้งปวงได้ฉันใดบุคคลฟังธรรมของท่านพระโคดมพระองค์นั้นแล้ว ความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความเร่าร้อนของเขาก็ย่อมระงับไปได้หมดสิ้นชันนั้นข้อความจากการณะปาลีสูตรอังคุตรานิกายปัญจาการนิบาทชนทั้งหลายที่ท่านพระโคโดมทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อ่านหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกาถาแล้ว เมื่อลุกไปจากที่นั่งก็ยังเหลียวหลังกลับมามองด้วยไม่อยากจะลาจากไปข้อความจากพรมายุสูตรมัชฌิมานิกายมัชฌิมปันนาธพระพุทธคุณในแง่คุณธรรมพระพุทธคุณในแง่คุณธรรมมีมากไม่อาจแสดงได้ครบทุกไตยย จึงขอเลือกแสดงตามแนวพระคุณสามคือ 1. พระปัญญาคุณพระปัญญาคุณที่เกี่ยวกับงานสอนขอยกมาแสดงสองอย่างคือทศพลยานและปฏิสัมพิธาทศพลยานคือพระญาณอันเป็นกำลังของพระตถาคตที่ทำให้พระองค์สามารถบรรลือสีหนาฏประกาศพระาศาสนาได้มั่นคง ในที่นี้จะแสดงความหมายที่เป็นพุทธคุณแท้กับความหมายที่ผู้สอนทั่วไปพึงนํามาใช้ได้ดังนี้การศึกษาเปรียบเทียบนี้เป็นครั้งแรกจึงยังอาจได้ความหมายไม่ครอบคลุมครบถ้วนขอให้ถือเป็นจุดเริ่มต้นไว้ก่อนทศพลายานข้อที่หนึ่งฐานาฐานายานปรีชายอย่างรู้ฐานะและอัฐฐานะ คือรู้กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับขอบเขตและขีดขั้นของสิ่งทั้งหลายว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้และแค่ไหนเพียงไรโดยเฉพาะในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลและกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมเกี่ยวกับสมรรถวิสัยของบุคคลซึ่งจะได้รับผลกรรมที่ดีและชั่วต่างๆกันความหมายส่วนที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้ มีความรู้เข้าใจในเนื้อหาและขอบเขตของกฎเกณฑ์และหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องและที่จะนำมาใช้ในการสอนอย่างชัดเจนตลอดจนรู้ความสามารถของบุคคลที่มีพัฒนาการอยู่ในระดับต่างๆทศพลยานข้อที่2กรกัมมาวิปากยานปรีชายอย่างรู้ผลของกรรม สามารถกำหนดแยกการให้ผลอย่างสลับซับซ้อนระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่วที่สัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆมองเห็นรายละเอียดและความสัมพันธ์ภายในกระบวนการก่อผลของกรรมอย่างชัดเจนความหมายของผู้สอนทั่วไปที่พอจะปฏิบัติได้คือมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนรพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ทศพลยานข้อที่สาสัพพัทธาคามินีปฏิปทายาณปรีชาอย่างรู้ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่ขติทั้งปวงคือสู่สุขติทุกขติหรือพ้นจากขติหรือปรีชาอย่างรู้ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่อัฏฐประโยชน์ทั้งปวงจะเป็นทิฏฐธรมิกัฏฐะหรือสัมปรายิกัฏฐะหรือปรมัตถะก็ตาม รู้ว่าเมื่อต้องการเข้าสู่จุดหมายใดจะต้องทำอะไรอะไรมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติอย่างไรความหมายของผู้สอนทั่วไปที่พอจะปฏิบัติได้คือรู้วิธีการและกลวิธีปฏิบัติต่างๆที่จะนำเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการทศพลยานข้อที่สนานาทาตุยาน ปรีชาอย่างรู้สภาวะของโลกอันประกอบด้วยธาตุต่างๆเป็นอนเนกรู้สภาวะของธรรมชาติทั้งฝ่ายอุปาทินกาสังขารและอนุปาทินกาสังขารเช่นในเรื่องชีวิตก็ทราบองค์ประกอบต่างๆสภาวะขององค์ประกอบเหล่านั้นพร้อมทั้งหน้าที่ของมันเช่นการปฏิบัติหน้าที่ของขันอายตนะและธาตุต่างๆในกระบวนการรับรู้เป็นต้น แล้วรู้เหตุแห่งความแตกต่างกันของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นความหมายที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้คือมีความรู้ในวิชาสรีระวิทยาและจิตวิทยาอย่างน้อยทราบองค์ประกอบต่างๆและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์ประกอบเหล่านั้นในกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลและถ้าเป็นไปได้ควรมีความรู้ทั่วไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตร์เพื่อรู้จักสภาวะของสิ่งทั้งหลายและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้นอันจะเป็นเครื่องเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการสอนให้ได้ผลดียิ่งขึ้นทศพลายานข้อที่5นานาธิมุติกยานปริชาอย่างรู้อธิมุตคือรู้อัธยาศัยความโน้มเอียงแนวความสนใจเป็นต้น ของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปต่างๆกันความหมายที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้คือรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความโน้มเอียงแนวความสนใจและความถนัดโดยธรรมชาติทศพลายานข้อที่6อินทริยะประปาริยตายาน ปรีชายอย่างรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายรู้ว่าสัตว์นั้นๆมีแนวความคิดความรู้ความเข้าใจแค่ไหนเพียงใดมีกิเลสมากกิเลสน้อยมีอินทรีย์อ่อนหรือแก่กล้าสอนง่ายหรือสอนยากมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การตรัสรู้หรือไม่ความหมายที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้ คือรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านระดับสติปัญญาความสามารถพัฒนาการด้านต่างๆและความพร้อมที่จะเรียนรู้ทศพลยานข้อที่7นานาที่สังกิเลสาธิยานปรีชายอย่างรู้เหตุที่จะทำให้ชาณวิโมกและสมาบัตเสื่อมหรือเจริญคล่องแคล้าจัดเจนหรือก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ความหมายที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้คือรู้ปัจจัยต่างๆที่เป็นอุปสรรคทวงหรือส่งเสริมเพิ่มพูนผลสำเร็จของการเรียนรู้และการฝึกอบรมในระดับต่างๆกับรู้จักใช้เทคนิคต่างๆเข้าแก้ไขหรือส่งเสริมนำการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้ดำเนินก้าวหน้าไปด้วยดีทศพลยานข้อที่8 ปุเพนิวาสานุสติยานปรีชา ย, ยัางรู้ระลึกชาติพบในหนหลังได้ความหมายที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้คือรู้ประวัติพื้นเพเดิมและประสบการณ์ในอดีตของผู้เรียนทศพลยานข้อที่9จุดตูปปาตยานปรีชายอย่างรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามกรรม ความหมายที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้คือรู้จักสังเกตดูผู้เรียนในขณะที่เขามีบทบาทอยู่ในชีวิตจริงภายในกลุ่มชนในสังคมรู้เท่าทันและเข้าใจพฤติกรรมต่างๆที่เขาแสดงออกในขณะนั้นๆว่าเป็นผู้มีปัญหาหรือไม่อย่างไรมองเห็นสาเหตุแห่งปัญหานั้นและพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือแก้ไขได้ทันที ทศพลยานข้อที่10อาสวะขยายานปรีชาอย่างรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายความหมายที่ผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้คือรู้ชัดเข้าใจแจ่มแจ้งและแน่ใจว่าผลสำริดที่เป็นจุดหมายนั้นคืออะไรเป็นอย่างไรและตนเองสามารถกระทำผลสมริดนั้นให้เกิดขึ้นได้จริงด้วย รปัญญาคุณข้อที่สองปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิทาคือปัญญาแตกฉานในด้านต่างๆซึ่งมีทั่วไปแก่พระมหาสาวกทั้งหลายด้วยดังนี้ 1. อัตตาปฏิสัมพิทาความเข้าใจแจ่มแจ้งในความหมายของถ้อยคำข้อความหรือข้อธรรมต่างๆสามารถขยายความแยกแยะออกไปได้โดยพิสดาร แม้ได้เห็นเหตุใดๆก็สามารถคิดเชื่อมโยงแยกแยะกระจายความคิดออกไปล่วงรู้ถึงผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้แปลสั้นๆว่าปัญญาแตกฉานในอัตถะ 2. ธรรมปฏิสัมพิทาความเข้าใจแจ่มแจ้งในหลักหรือข้อธรรมต่างๆสามารถจับใจความของคำอธิบายที่กว้างขวางพิสดาร มาตั้งเป็นกระทูห้หรือหัวข้อได้เมื่อมองเห็นผลต่างๆที่ปรากฏก็สามารถสืบสาวกลับไปหาเหตุได้แปลสั้นๆว่าปัญญาแตกฉานในธรรม 3. นิรุตติปฏิสัมพิทาความรู้แตกฉานในภาษารู้ภาษาต่างๆและรู้จักใช้ถ้อยคำชี้แจง แสดงอัดและรมให้คนอื่นเข้าใจและเห็นตามได้แปลสั้นๆว่าปัญญาแตกฉานในนิรุกติ 4. ปฏิภาณปฏิสัมพิทาความมีไหวพริบสามารถเข้าใจคิดเหตุผลได้เหมาะสมทันการและมีความรู้ความเข้าใจชัดในความรู้ต่างๆว่ามีแหล่งที่มามีประโยชน์อย่างไร สามารถเชื่อมโยงความรู้ทั้งหลายเข้าด้วยกันสร้างความคิดเหตุผลขึ้นใหม่ได้แปลสั้นๆว่าปัญญาแตกฉานในปฏิพันธ์สรุปปฏิสัมพิทาสี่คือปัญญาแตกฉานในอัตในธรรมในนิรุตติและในปฏิพัน์ พระพุทธคุณในแง่คุณธรรมข้อที่สองพระวิสุทธิคุณความบริสุทธิ์เป็นพระคุณสำคัญยิ่งเช่นกันที่จะทำให้ประชาชนเชื่อถือและเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์นี้อาจมองได้จากลักษณะต่างๆดังนี้ 1. พระองค์เองเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง ไม่กระทำความชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจไม่มีเหตุที่ใครจะยกขึ้นตำาหนิได้สองทรงทำได้อย่างที่สอนคือสอนเขาอย่างไรพระองค์เองก็ทรงประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นด้วยอย่างพุทธพจน์ที่ว่าตถาคตพูดอย่างใดทำอย่างนั้นจึงเป็นตัวอย่างที่ดี และให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในคุณค่าของคำสอนได้ 3. ทรงมีความบริสุทธิ์พระไทยในการสอนทรงสอนผู้อื่นด้วยมุ่งหวังประโยชน์แก่เขาอย่างเดียวไม่มีพระไทยเคลือบแฝงด้วยความหวังผลประโยชน์ส่วนตนหรืออามิต h ตอบแทนใดๆพระวิสุทธิ์ที่คนเหล่านี้จะเห็นได้จากคำสรรเสริญของบุคคลต่างๆ ในสมัยพุทธกาลเช่นในนาคิตาสูตรอังคุตระนิการชะกานิบาตความว่าดูก่อนนาคิตะขออย่าให้เราต้องคล้องเกี่ยวกับยศเลยและขออย่าให้ยศมาคล้องเกี่ยวกับเราด้วยบุคคลผู้ใดไม่ได้โดยง่ายซึ่งความสุขอันเกิดจากเนคข ม, มะความสุขอันเกิดจากวิเวกความสุขอันเกิดจากความสงบความสุขอันเกิดจากความตรัสรู้ เนอย่างที่เราได้บุคคลผู้นั้นจึงจะยินดีความสุขแบบอาจมความสุขที่เกิดจากการหลับและความสุขที่เกิดจากลาบสักการะสรรเสริญและจากคำกล่าวของพระสารีบุตรในสังคีตีสูตรความว่าท่านทั้งหลายพระตถาคตมีกายสมาจารวจีสมาจาร มโนสมาจารบริสุทธิ์ระตถาคไมิได้มีความประพฤติ ช, ชั่วทางกายทางวาจาทางใจที่พระองค์จะต้องปกปิดรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่าขอคนอื่นๆอย่าได้รู้ถึงความประพฤติ ช, ชั่วทางกายทางวาจาทางใจของเราเลยและในกากูทัสูตังคุตระนิกายปัญจการนิบาศ ความว่าดูก่อนโมคลานะเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จึงปฏิญาณได้ว่าเป็นผู้มีศีลบ ร, ริสุทธิ์ศีลของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองบรรดาสาวกไม่ต้องคอยรักษาเราโดยศีลแล้วเราก็ไม่ต้องคิดหวังให้สาวกช่วยรักษาเราโดยศีลเรามีอาชีวะบริสุทธิ์มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ มีวยยายรารบริสุทธิ์มียานัศสนาบริสุทธิ์ไม่ต้องคิดหวังให้สาวกช่วยรักษาคือช่วยระมัดระวังปกปิดความเสียหายในเรื่องเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเคยแสดงความรู้สึกของตนต่อพระผู้มีพระภาคในเรื่องการทรงสั่งสอนธรรมมีมาในมัชิมานิกายอุปริปันธาตความว่า ขาแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่มีความดมริในพระผู้มีพระภาคเลยว่าพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมเพราะเหตุคือปรารถนาจีวรบินทบาตเสนาณะหรือเพราะเหตุหวังสุขในการได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พวกข้าพระองค์มีความดมริในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงอนุเคราะห์ทรงปรัธนาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความกรุณาจึงทรงแสดงธรรมพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะการที่เธอทั้งหลายมีความดําริต่อเราอย่างนี้ฉะนั้นทมเหล่าใดที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งละถึงเธอทั้งปวงพึงพร้อมเพรียงกันบันเทิงใจไม่วิวาดศึกษาอยู่ในธรรมเหล่านั้นเถิด ในอุทุมภริกษุตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพุทธะเองแล้วคือตรัสรู้เองแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อความตรัสรู้พระองค์เป็นผู้ฝึกเองแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อความฝึกพระองค์เป็นผู้สงบแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบพระองค์เป็นผู้ข้ามพ้นไปได้แล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อความข้ามพ้น ทรงเป็นผู้ดับเย็นแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อความดับเย็นเรากล่าวดังนี้ว่าบุรุษผู้เป็นวินยูชนไม่อโ อ, อดไม่มีมารยาเป็นคนตรงจงมาเถิดเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมเขาปฏิบัติอย่างที่ได้รับคำสั่งสอนแล้วจะกระทำให้สำเร็จซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยม อันเป็นที่พราถนาของกุลบุตรผู้ออกบวชอันเป็นจุดหมายแห่งพรมจรรย์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันชาตินี้โดยใช้เวลาเจดปี6ปีห้าปีสี่ปีสมปีสองปีปีเดียวเจ็เดือน6เดือนละถึงหนึ่งเดือนกึ่งเดือนเจดวันเท่านั้น คำสรรเสริญเกี่ยวกับพระวิสุทธิ์ที่คุณอีกแห่งหนึ่งจากทีข้านิกายปาติกกวักความว่าบางทีท่านอาจคิดว่าพระสมณโคโดมตรัสอย่างนี้เพราะใครได้สิทธิ์ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้นอาจารย์ผู้ใดของท่านเป็นอย่างนี้ขอให้ผู้นั้นแหละคงเป็นอาจารย์ของท่านเรากล่าวอย่างนี้เพราะใครได้สิทธิก็หาไม่ ต้องการให้ท่านถอนตัวจากอุเทศของตนก็หาไม่ต้องการให้ท่านถอนตัวจากอาชีวะของท่านก็หาไม่ต้องการให้ท่านเข้าไปติดอยู่ในธรรมที่จัดว่าเป็นอกุศลตามลัทธิฝ่ายอาจารย์ของตนก็หาไม่ต้องการให้ท่านเคลื่อนคลาดไปจากธรรมที่จัดว่าเป็นกุศลตามลัทธิฝ่ายอาจารย์ของตนก็หาไม่หากแต่ว่า อากุศลละธรรมที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองที่สร้างชาติสร้างภพมีแต่ความร้าร้อนกระวนกระวายให้ผลเป็นทุกข์ชักนำชาติชรามรณะมาให้เรื่อยไปซึ่งท่านยังละไม่ได้นั้นมีอยู่เราแสดงธรรมก็เพื่อให้กำจัดอากุศลเหล่านี้ได้เมื่อท่านปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นเหตุก่อความเสื่อมเสียทั้งหลายก็จะถูกกำจัดหมดไป และสิ่งที่เสริมสร้างความถูกต้องผ่องแผ้วก็จะพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นท่านก็จกได้รู้ยิ่งเห็นจริงได้บรรลุความบริสุทธิ์แห่งปัญญาและความภัยบณ์ด้วยตนเองตั้งแต่ในปัจจุบันทีเดียวเมื่อครั้งท่านสีหะเสนาบดีแห่งแคว้นเวสาลีผู้เป็นสิทธิ์นิครนทนาตบุตร มาเฝ้าทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าและเกิดความเลื่อมใสกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นอุบาสกพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนว่าท่านจงใครครวญให้ดีซะก่อนการใคร้ครวญก่อนแล้วจึงทำเป็นความดีสำหรับคนผู้มีชื่อเสียงอย่างท่านครั้นท่านเสนาบดียืนยันว่าเขาเลื่อมใสขอเป็นอุบาสกแน่นอนแล้วพระองค์ได้ตรัสอีกว่า ท่านสีหะตระกูลของท่านเป็นเสมือนบ่อน้ำของนิครนทั้งหลายมาช้านานต่อไปนี้เมื่อนิครนมาหาท่านก็พึงใส่ใจเรื่องที่จะถวายบิณฑบาตด้วยเหตุการณ์คล้ายคลึงกันนี้ได้เกิดแก่อุบาลีคฤหบดีผู้เป็นเศรษฐนิครนทนาตบุตรเช่นเดียวกันอีกแห่งหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลาย ทว่าบุคคลเหล่าอื่นจะด่าบริาพาทโกรธเบียดเบียนประทบกระเทียบตถาคตในการประกาศจตุราริยศาสตร์นั้นตถาคตก็ไม่มีความอาฆาตไม่มีความโทมนัดไม่มีจิตยินร้ายถ้ว่าชนเหล่าอื่นจะสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตในการประกาศจตุราริยศาสตร์นั้นตถาคตก็ไม่ดีใจไม่เกิดโสมนัส ไม่มีใจเย่อหยิงในสักการะเป็นต้นเหล่านั้นนอกจากทรงพระคนนี้เองแล้วยังทรงสอนภิกษุสาวกไว้ด้วยว่าภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของภิกษุเช่นไรไม่บริสุทธิ์ธรรมเทศนาของภิกษุเช่นไรบริสุทธิ์ภิกษุรูปใดมีความคิดว่า ขอให้ชนทั้งหลายฟังธรรมของเราครั้นฟังแล้วพึงเลื่อมใสธรรมขอให้คนทั้งหลายที่เลื่อมใสแล้วแสดงอาการของผู้เลื่อมใสแกเราธรรมเทศนาของภิกษุเช่นนี้ไม่บริสุทธิ์ส่วนภิกษุรูปใดมีความคิดว่าพระธรรมนี้เป็นของตรัสไว้ดีแล้วเป็นสันทิทิกะเป็นอาการลิกะ เป็นโอปัายิกะวินยูชนพึงรู้ประจักษ์จำเพาะตนขอให้ชนทั้งหลายฟังธรรมของเรารันฟังแล้วขอให้เขาเข้าใจธรรมรันเข้าใจชัดแล้วขอให้ปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นดังนี้แล้วแสดงธรรมแก่คนอื่นโดยเหตุที่ธรรมนั้นเป็นของดีของถูกต้องโดยเหตุที่มีความกาวรุน โดยเหตุที่มีความเอื้อเอ็นดูแสดงโดยอาศัยความอนุเคราะห์ธรรมเทศนาของภิกษุทั้งหลายเช่นนี้ชื่อว่าบริสุทธิ์พระพุทธคุณในแง่คุณธรรมข้อที่สพระกรุณาคุณ อาศัยพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จออกประกาศพระศาสนาโปรสภัทรทำให้พระคุณสองอย่างแรกคือพระปัญญาคุณและพระวิสุทธทิคุณเป็นที่ปรากฏและเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างแท้จริงเสด็จไปช่วยเหลือแนะนำสั่งสอนมนุษย์ทั้งที่เป็นกลุ่มชนและที่เป็นรายบุคคลโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลาบากของพระองค์เอง พระมหากรุณาที่คณเหล่านี้พึงเห็นตามคําสรรเสริญและคุณธรรมอื่นๆที่แสดงออกเช่นที่ปรากฏในพรหมายุสูตรดังนี้พระสมณะโคดมไม่ทรงดรําริเพื่อเบียดเบียนพระองค์เองไม่ทรงดรําริเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่ทรงดรําริเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทรงดรําริแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงอีกแห่งหนึ่งมีมาในสลายตนาวิพันคสูตรความว่าพึงทราบการวางสติสามประการที่พระอริยเจ้าปฏิบัติซึ่งเมื่อปฏิบัติแล้วจึงควรเป็นศาสดาสั่งสอนมูชน 1. ภิกษุทั้งหลาย สัสดาเป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงประโยชน์เกื้อกูลอาศัยเมตตาจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอสิ่งนี้จะให้ความสุขแก่พวกเธอแต่เหล่าสาวกของสัสดานั้นย่อมไม่ตั้งใจฟังไม่เงียโสดลงดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศ ส, สดา ในกรณีนั้นตถาคตจะได้มีความยินดีก็หาไม่จะได้บังเกิดความพึงพอใจก็หาไม่ทั้งจะได้ขัดเคืองขุนมัวก็หาไม่ย่อมมีสติสัมปชัญญะดำรงอยู่2 อ, อีกประกาศหนึ่งเหล่าสาวกของศาสดานั้นบางพวกก็ไม่ตั้งใจฟังบางพวกย่อมตั้งใจฟัง เงยบโสดลงดับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติเคลื่อนคลาดจากคำสอนของศาสดาในกรณีนั้นตถาคตจะได้มีความยินดีก็หาไม่จะได้บังเกิดความพึงพอใจก็หาไม่จะได้มีความไม่พอใจก็หาไม่จะได้บังเกิดความไม่พอใจก็หาไม่ตัดได้ทั้งความพอใจและความไม่พอใจทั้งสองอย่างเป็นผู้อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะดำรงอยู่ 3. อีกประการหนึ่งเหล่าสาวกของศาสดานั้นทั้งหมดย่อมตั้งใจฟังเงียโสงลงดับตั้งจิต ร, รับรู้ไม่ประพฤติเคลื่อนคลาดจากคำสอนของศาสดานในกรณีนั้นตถาคตย่อมเป็นผู้ชื่นชมบังเกิดความพึงพอใจ แต่ก็หากระยิมเหิมใจไม่ย่อมมีสติสัมปชัญญะดำรงอยู่จากข้อความตอนนี้พึงสังเกตด้วยว่าความการุณาที่แสดงออกอย่างได้ผลดีนั้นต้องอาศัยมีอุเบกขาและสติสัมปชัญญะเข้าประกอบด้วยในกรณีต่างๆและในกรณีนั้นๆ จะต้องเข้าใจความหมายของอุเบกขาให้ถูกต้องด้วยนอกจากนี้ความกรุณาที่แสดงออกในการอบรมสั่งสอนย่อมเป็นส่วนประกอบสำคัญให้เกิดคุณลักษณะของผู้สอนอย่างที่เรียกว่าองคุณของกัลายาณมิตรจากสขาสูตรอังคุตรนิกายสัตตการนิบาทซึ่งมีเจ็ดประการดังต่อไปนี้ 1. ปีโยน่ารักในฐานเป็นที่วางใจและรู้สึกสนิทสนม 2. ขรุน่าเคารพในฐานให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งได้และปลอดภัย 3. ภาวนิโยน่ายกย่องในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง 4. วัตตารู้จักพูดขอให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่ปรึกษาที่ดี 5. วัวะจะนะขโมอดทนต่อถ้อยคำพร้อมที่จะรับฟังคำซักถามต่างๆอยู่เสมอและสามารถรับฟังได้ด้วยความอดทนไม่เบื่อ 6. คคำพีรัญจะกระถังกระตา กล่าวชี้แจงแถลงเรื่องต่างๆที่ลึกซึ้งได้ 7. โนจตตาาเนนิโยชเนไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสียพึงสังเกตไว้นะที่นี้ด้วยว่าพระพุทธศาสนาถือว่าความสัมพันธ์ของผู้สอนที่มีต่อผู้เรียนนั้นอยู่ในฐานะเป็นกันลยาณมิตร คือเป็นผู้ช่วยเหลือแนะนำผู้เรียนให้ดาเนินก้าวหน้าไปในมรรคาแห่งการฝึกอบรมองคุณทั้งเจ็ดที่กล่าวมานี้เป็นคุณลักษณะที่ผู้สอนหรือครูผู้มีความกรุณาโดยทั่วไปจะมีได้ไม่จำกัดเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นพึงระลึกถึงฐานะของผู้สอนอันสัมพันธ์กับความตอนนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า อคาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นผู้บอกทางให้ในขุทกานิกายธรรมบทแล้วเรื่องที่ส่งแจงแก่พรา์ว่าพระองค์เป็นเพียงผู้ชี้ทางในมัชฌิมานิกายอุปริปปนาสด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงอนุเคราะห์ชาวโลกนั้นแสดงออกในพุทธกิจประจําวันหรือกิจวัตรประจําวันของพระองค์ซึ่งเห็นได้ชัดว่าวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนอื่นๆทั้งนั้นและให้เห็นการรู้จักทํางานเป็นเวลาของพระมหาบุรุษพุทธกิจประจําวันนั้นแบ่งเป็นหดังนี้ 1. นึอูเรพัทธกิจ พุทธกิจภาคเช้าหรือภาคก่อนอาหารได้แก่ทรงตื่นบรรทมแต่เช้าสเสด็จออกบินทบาทสเสวยแล้วทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนในที่นั้นๆเสด็จกลับพระวิหารรอให้พระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วสเสด็จเข้าพระคันธกุดี 2. ปัป ช, ชพั ต, ตะพุทธกิจภาคบ่าย หรือหลังอาหารระยะที่หนึ่งสเสด็จออกจากพระคันทกุดีทรงโอวาทภิกษุสงเสร็จแล้วพระสงฆ์แยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆพระองค์สเสด็จเข้าพระคันทกุดีอาจทรงบรรทมเล็กน้อยแล้วถึงระยะที่สองทรงพิจารณาตรวจ ด, ดูความเป็นไปของชาวโลกระยะที่สประชาชนในถิ่นนั้น มาประชุมในธรรมสภาทรงแสดงธรรมโปรด 3. ปุริมายามกิจพุทธกิจยามที่หนึ่งของราตรีหลังจากพุทธกิจภาคกลางวันแล้วอาจทรงสนานแล้วปลีกพระองค์อยู่เงี ย, เงยบๆพักหนึ่งจากนั้นพระภิกษุสงฆ์มาเฝ้าทูลถามปัญหาบ้างขอกรรมาฐานบ้างขอให้ทรงแสดงธรรมบ้าง ทรงใช้เวลาตลอดยามแรกนี้สนองความประสงค์ของพระสงฆ์ 4. มัชชิมายามกิจพุทธกิจในมัชชิมายามเมื่อพระสงฆ์แยกย้ายไปแล้วทรงใช้เวลายามที่สองตอบ ป, ปัญหาพวกเทวดาทั้งหลายที่มาเฝ้า 5. ปัตชิมายามกิจพุทธกิจในปัตชิมายาม ทรงแบ่งเป็นสมระยะระยะแรกสเสด็จดำเนินจงกรมเพื่อให้พระวรากายได้ผ่อนคลายระยะที่ 2, สองเสด็จเข้าพระคันทักกูดีทรงพระบรรทมสีหาสายญาติอย่างมีพระสติสัมปะชัญญะระยะที่ 3, สเสด็จประทับนั่งพิจารณาสอดส่องเลือกสารว่าในวันต่อไป มีบุคคลผู้ใดที่ควรเสด็จไปโปรดโดยเฉพาะเป็นพิเศษเมื่อทรงกาหนดพระไทยไว้แล้วก็จะเสด็จไปโปรดในภาคพุทธกิจที่หนึ่งคือปุเรภัตกิจในสุตตานิบาตอธาธาธาัตฐคถาคือคมภีปรมัตโฉติกาท่านแบ่งพุทธกิจไว้เพียงสองอย่างคือปุเรภัตกิจกับปัจฉาภัตกิจ โดยรวมอาพุทธกิจที่ 3-5 ถึงเข้าไว้ในปัะ ช, ชาพัทธกิจด้วยในสดมนต์ฉบับหลวงท่านแต่งเป็นคาถาไว้เพื่อจำง่ายแปลเป็นไทยว่าเช้าเสด็จไปบินทบาทบ่ายทรงสแสดงธรรมค่ำประทานโอวาทแก่ภิกษุกลางคืนตอบ ป, ปัญหาเทวดาเวลาจวนสว่างตรวจดูผู้ที่ควรและยังไม่ควรตรัสรู้ การทรงใสยพระไทยช่วยเหลือโปรโดบุคคลผู้สมควรเป็นส่วนเฉพาะบุคคลบุคคลเช่นนี้ผู้ได้รับการโปรโดอาจเป็นคนชั้นสูงชั้นต่ำเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งสิน้นเช่นในสินค้าล ก, กาสูตรสเสด็จไปโปรโดสินค้าล ก, กามานพผู้ไหว้ทิศในธรรมปรทกษาภ า, าคหนึ่งสเสด็จไปโปรโดเด็กชายมันทักุณเดลีที่กำลังนอนเจ็บหนัก นอกจากนี้ยังทรงเอาพระไทยใส่ในความเป็นอยู่ทุกสุขของพระภิกษุทรงทั่วไปเช่นเสด็จไปเยี่ยมภิกษุป่วยและพยาบาลภิกษุป่วยไขย้ที่ไม่มีคนพยาบาลด้วยพระองค์เองหมายเหตุในหนังสือท่านอ้างญิงที่มาพร้อมระบุหน้าของพระไตรปิฎกไว้ครบถ้วนท่านผู้สนใจค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากต้นฉบับหนังสือ ซึ่งดาวโหลดพร้อมกับเสียงอ่านเรื่องนี้ได้เช่นกันนะครับความกรุณาเช่นนี้เป็นเหตุนำความเลื่อมใสศรัทธาเป็นประโยชน์ในการสอนส่งสอนคนได้โดยไม่ต้องใช้อำนาจบังคับไม่ต้องใช้การลงโทษและส่งได้รับความเคารพบูชาสูงสุดด้วยความจริงใจยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัด จากด âm รัดของพระเจ้าระเสนที่โกศลกษัตริย์แห่งแคว้นโกศลที่เสด็จมาเฝ้าแสดงความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงสุดในพระพุทธเจ้าและทูลไว้มีความตอนหนึ่งว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งหม่อมชั้นเป็นขัติยราชได้รับมูรธาพิเศษแล้วย่อมสามารถสั่งฆ่าคนที่ควรฆ่าได้จะให้ริบคนที่ควรริบได้ จะให้เนรเทศคนที่ควรเนรเทศก็ได้เมื่อหม่อมฉันนั่งอยู่ในที่วินิจฉัยความก็ยังมีคนพูดสอดขึ้นในระหว่างบ้างแต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ในสมัยใดพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมแก่ที่ประชุมคนหลายร้อยในที่ประชุมนั้นสาวกของพระผู้มีพระภาคไม่มีเสียงไอเสียงจามเลยหม่อมฉันเกิดความคิดขึ้นมาว่า นาอัศจรรย์จริงไม่เคยมีมาก่อนพระผู้มีพระภาคทรงฝึกอบรมชุมชนได้ถึงเพียงนี้โดยไม่ต้องใช้อาชญาโดยไม่ต้องใชศาสตราคือไม่ใช้อำนาจบังคับและการลงโทษหม่อมชันไม่เคยเห็นชุมชนอื่นที่ฝึกได้ดีอย่างนี้นอกจากธรรมวินัยนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรมในพระผู้มีพระภาคของหม่อมชัน อีกประการหนึ่งช่างไม้สองคนคนหนึ่งชื่ออิสิทันตะและคนหนึ่งชื่อบูราณนะกินอยู่ของหม่อมชันใช้ยวดยานของหม่อมชันหม่อมชันให้เครื่องเลี้ยงชีพแก่เขาให้ยศแก่เขาแต่ถึงกระนั้นเขาจะได้แสดงความเคารพ น, นอบน้อมในหม่อมชันเหมือนในพระผู้มีพระภาคก็หาไม่เรื่องเคยมีคราวเมื่อหม่อมชันยกกองทัพออกไป คิดจะทดลองช่างไม้อิสีทันตะและช่างไม้ภุราณานี้ดูจึงเข้าพักอยู่ในที่พักอาศัยอันคับแคบแห่งหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคราวนั้นนายช่างเหล่านี้ใช้เวลากล่าวทํากันจนดึกได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ทิศใดเขาก็ผินศีรษะไปทางทิศนั้นนอนเหยียดเท้ามาทางหม่อมชัน หม่อมฉันมีความคิดว่าน่าอัศจรรย์แท้ไม่เคยมีมาก่อนเลยนายช่างเหล่านี้กินอยู่ของเราถึงกระนั้นเขาจะได้มีความเคารพบนอบนอบในเราเหมือนในพระผู้มีพระภาคก็หาไม่คนทั้งสองนี้คงจะได้รู้สิ่งที่เป็นคนความดีพิเศษยิ่งกว่าเดิมในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นแน่แม้ข้อนี้ ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรมในพระผู้มีพระภาคของหม่อมชันข้อความจากธรรมเจติยสูุรมัชิมะนิกายมัชิมะปัญนาฏพระไตรปิฎกเล่มสิบาในที่นี้จะขอสรุปพระคุณสมบัติที่ควรสังเกตไว้ดังนี้ 1. ทรส่งสอนสิ่งที่เป็นจริง และเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังสงทรงรู้เข้าใจสิ่งที่ทรงสอนอย่างท่องแท้สมบูรณ์สทรงสอนด้วยพระเมตตามุ่งประโยชน์แก่ผู้รับคำสอนเป็นที่ตั้งไม่หวังผลตอบแทนสทรงทำได้จริงอย่างที่ทรงสอนเป็นตัวอย่างที่ดี 5. ทรงมีบุคลิกภาพโน้มน้าวจิตใจให้เข้าใกล้ชิดสนิทสนมและพึงพอใจได้ความสุข 6. กทรงมีหลักการสอนและวิธีสอนยอดเยี่ยมดังจะกล่าวต่อไปตอนที่3หลักทั่วไปในการสอน เรื่องหลักทั่วไปของการสอนนี้ขอแบ่งเป็นสามหมวดคือที่เป็นข้อควรคํานึงต่างๆเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอนพวกหนึ่งเกี่ยวกับตัวผู้เรียนพวกหนึ่งและที่เกี่ยวกับตัวการสอนเองพวกหนึ่งและจะบรรยายเพียงโดยสรุปเพราะได้กินเนื้อที่มามากแล้วในสองหัวข้อก่อนเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอน 1>, 1. สอนจากสิ่งที่รู้เห็นเข้าใจง่ายหรือรู้เห็นเข้าใจอยู่แล้วไปหาสิ่งที่เห็นเข้าใจได้ยากหรือยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจตัวอย่างที่เห็นชัดคืออริยสัตว์ซึ่งทรงเริ่มสอนจากความทุกข์ความเดือดร้อนปัญหาชีวิตที่คนมองเห็นและประสบอยู่โดยธรรมดารู้เห็นประจักษ์กันอยู่ทุกคนแล้ว ต่อจากนั้นจึงสาวหาเหตุที่ยากลึกซึ้งและทางแก้ไขต่อไป 2. สอนเนื้อเรื่องที่ค่อยลุ่มลึกยากลงไปตามลำดับชั้นและต่อเนื่องกันเป็นสายลงไปอย่างที่เรียกว่าสอนเป็นอนุบุพิกถาตัวอย่างก็คืออนุบุพิกถาไตรสิกขา กุทธโอว่าสามเป็นต้น 3. ถ้าสิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้ก็สอนด้วยของจริงให้ผู้เรียนได้ดูได้เห็นได้ฟังเองอย่างที่เรียกว่าประสบการณ์ตรงเช่นทรงสอนพระนันทะที่คิดถึงคู่รักคนงามด้วยการทรงพาไปชมนางฟ้านางอับสอนเทพธิดาให้เห็นกับตา เรื่องอาจารย์ที่สาปาโมกให้หมอชีวกทดสอบตัวเองเรื่องนามสิทธิชาดกหรืออย่างที่ให้พระเพ่งดูความเปลี่ยนแปลงของดอกบัวเป็นต้นสสอนตรงเนื้อหาตรงเรื่องคุมอยู่ในเรื่องมีจุดไม่วกวนไม่ไขว้เขวไม่ออกนอกเรื่อง หสอนมีเหตุผลตรองตามเห็นจริงได้อย่างที่เรียกว่าชนิททานัง 6. สอนเท่าที่จําเป็นพอดีสําหรับให้เกิดความเข้าใจให้การเรียนรู้ได้ผลไม่ใช่สอนเท่าที่ตนรู้หรือสอนแสดงภูมิว่าผู้สอนมีความรู้มากเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ในป่าประดูลาย ใกล้เมืองโกสัมพีได้ทรงหยิบใบไม้ประดู่ลายเล็กน้อยใส่กำพระหัตต์แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าใบประดู่ลายในพระหัตต์กับในป่าไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าในป่ามากกว่าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แต่ไม่ได้ทรงสอนเหมือนใบประดู่ลายในป่า ส่วนที่ทรงสั่งสอนน้อยเหมือนใบประดู่ลายในพระหัตถ์และตรัสแสดงเหตุผลในการที่ไม่ได้ทรงสอน ท, ทั้งหมดเท่าที่ตรัสรู้ว่าเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์มิใช่หลักการดำเนินชีวิตอันประเสริฐไม่ช่วยให้เกิดความรู้ถูกต้องที่จะนำไปสู่จุดหมายคือนิพพานได้ข้อที่7สอนสิ่งที่มีความหมาย ควรที่เขาจะเรียนรู้และเข้าใจเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองอย่างพุทธพจน์ที่ว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายจึงตรัสพระวาจาตามหลักหกประการคือหนึ่งคำพูดที่ไม่จริงไม่ถูกต้องไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นไม่ตรัส2 คำพูดที่จริงถูกต้องแต่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นไม่ตรัส 3. ามคำพูดที่จริงถูกต้องเป็นประโยชน์ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นเลือกการคือกาละในการตรัส 4. ี่คำพูดที่ไม่จริงไม่ถูกต้องไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นไม่ตรัสห้าคำพูดที่จริงถูกต้องแต่ไม่เป็นประโยชน์ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นไม่ตรัส 6. คคำพูดที่จริงถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นเลือกการคือกาละในการตรัส ลักษณะของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้คือทรงเป็นกาลวาทีสัจวาทีภูตวาทีอัทธวาทีธรรมวาทีวินัยวาทีเกี่ยวกับตัวผู้เรียนหนึ่งรู้คำนึงถึง และสอนให้เหมาะตามความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างในทศพลยานข้อหและข้อ6ที่อธิบายมาแล้วเช่นคำหนึงถึงจริตหอันได้แก่ราคาจริตโทสาจริตโมหจริตสัทธาจริตพุทธิจริตและวิตกจริตแลรู้ระดับความสามารถของบุคคลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาเมื่อก่อนเสด็จออกประกาศพระาศาสนาว่า เหล่าสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาน้อยก็มีที่มีกิเลสในดวงตามากก็มีที่มีอินทรีย์แก่กล้าก็มีที่มีอินทรีย์อ่อนก็มีที่มีอาการดีก็มีมีอาการสามก็มีที่จะสอนให้รู้ได้ง่ายก็มีที่จะสอนให้รู้ได้ยากก็มีบางพวกที่ตระหนักถึงโทษภัยในปโรโลกอยู่ก็มีทั้งนี้ อุปมาเหมือนดังในกออุบลกอประทุมหรือกอบุญทริกต่อจากนั้นได้ทรงยกบัวสามเหล่าขึ้นมาเปรียบในที่นี้จะนำไปเทียบกับบุคคลสีประเภทที่พระองค์ตรัสไว้ในอังคุตระนิกายจตุ ก, การนิบาทดังนี้ 1. บุคคลผู้รู้เข้าใจได้ฉับพลันแต่พอยกหัวข้อขึ้นแสดงเท่านั้นเรียกว่า อุคติตันยูเทียบกับบัวพ้นน้ำแต่พอรับสัมผัสรัศมีตะวันก็จะบานนวันนั้น 2. บุคคลผู้สามารถรู้เข้าใจได้ต่อเมื่อท่านอธิบายความพิสดารออกไปเรียกว่าวิปจิตตันยูเทียบกับบัวปริ่มน้ำจกบานต่อวันรุ่งขึ้น 3. บุคคลผู้พอจะหาทางค่อยชี้แจงแนะนำใช้วิธีการยักเยื้องให้เข้าใจได้ต่อต่อไปเรียกว่าในยะเทียบกับบัว ง, งามใต้พื้นน้ำจากบานในวันต่อต่อไป 4. บุคคลผู้อับปัญญามีดวงตามืดมิดยังไม่อาจให้บรรลุ ค, คุณวิเศษได้ในชาตินี้ เรียกว่าปทัปรมะเทียบกับบัวจมใต้น้ำน่าจะเป็นพักษาแห่งปลาและเตา่าพึงสังเกตว่าปทัพประมะนั้นไม่ได้หมายความว่าสอนไม่ได้เลยทีเดียวแต่หมายถึงบุคคลที่ช่วยได้อย่างมากเพียงให้รู้พยัญชนะแต่ไม่อาจเข้าใจอัฏฐะเป็นผู้ที่พระพุทธศาสนาไม่ทอดทิ้งเพราะถือว่า แม้เขาไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินี้แต่ก็ยังเป็นการสั่งสอนอบรมเพื่อประโยชน์ในอนาคตต่อไปจึงควรต้องช่วยให้ดีที่สุดเท่าที่จะช่วยได้หมายเหตุตามพุทธพจน์เดิมนั้นตรัสถึงบัวสามเหล่าซึ่งมีมาในวินัยปิฎกเล่มสี่ ในมัชฌิมานิกายมูลปันนาฏและในมัชฌิมานิกายมัชฌิมปันนาฏส่วนบัวสีเหล่ามาในอัฏฐคถาบุคคลสี่ประเภทมีมาในอังคุตระนิกายจตุ ก, การนิบาศซึ่งจะเห็นได้ว่าบัวสีเหล่านั้นมีความหมายลงกันได้และเข้ากันได้ตรงกับบุคคลสี่พวกจากพุทธพจน์ เกี่ยวกับตัวผู้เรียนข้อที่2ปรับวิธีสอนผ่อนให้เหมาะกับบุคคลแม้สอนเรื่องเดียวกันแต่ต่างบุคคลอาจใช้ต่างวิธีข้อนี้เกี่ยวโยงต่อเนื่องมาจากข้อที่1ข้อที่3นอกจากคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วผู้สอนยังจะต้องคํานึงถึงความพร้อม ความสุขงอมความแกวรอบแห่งอินทรีย์หรือญาณที่บาลีเรียกว่าปริปากะของผู้เรียนแต่ละบุคคลเป็นรายๆไปด้วยว่าในแต่ละคราวหรือเมื่อถึงเวลานั้นๆเขาควรจะได้เรียนอะไรและเรียนได้แค่ไหนเพียงไรหรือว่าสิ่งที่ต้องการให้เขารู้นั้นควรให้เขาเรียนได้หรือยังเรื่องนี้จะเห็นได้ชัด ในพุทธวิธีสอนว่าพระพุทธเจ้าทรงคอยพิจารณาปริปากะของบุคคลเช่นคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงดำริว่าทำเครื่องบ่มวิมุตของราหุลสุกงอมดีแล้วถ้ากะไรเราพึงช่วยชักนำเธอในการกำจัดอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปอีกดังนี้ครั้นเมื่อเสด็จไปบิทบาท สวยเสร็จแล้วจึงตรา ช, ชวนพระราหุลให้โดยเสด็จไปพักผ่อนกลางวันในป่าอันทวันเมื่อถึงโคนไม้แห่งหนึ่งก็ได้ประทับนั่งลงและทรงสอนธรรมด้วยวิธีสนทนาวันนั้นพระราหุลก็ได้บรรลุอรหัตผลอีกเรื่องหนึ่งเมื่อคราวประทับอยู่สององค์กับพระเมขียะนาจาริกบันพศ พระเมขียาทูลลาไปบินทบาดในหมู่บ้านชันตุคามในระหว่างทางกลับจากบินทบาดมาถึงฝั่งลำน้ำกิมิกาลาท่านได้เห็นสถานที่ในป่าอัมพวันน่าเรื่นรมเกิดความคิดว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรครั้นกลับถึงจาริ ก, กรบันพศจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลขออนุญาตลาไปบำเพ็ญเพียรณป่าริมฝั่งน้ำนั้น พระพุทธองค์ทรงทราบว่าญาณของพระเมขยะยังไม่สุขงอมพอที่จะไปบําเพ็ญเพียรอยู่ผู้เดียวให้เกิดผลสำเร็จก้าวหน้าขึ้นไปได้แต่ก็จะทรงให้พระเมขยะได้บทเรียนจึงไม่ได้ทรงห้ามทีเดียวแต่ทรงทัดทานว่ารอ ก, ก่อนเถิดเมขยะเราอยู่คนเดียวเธอจงรอจนกว่าจะมีภิกษุรูปอื่นมาเสียก่อน การที่ตรัส ด, ดังนี้ก็เพื่อให้รู้สึกว่าพระองค์มีพระไทยเยื่อใยเมตตาต่อพระเมขิยะอยู่เป็นแรงคอยโน้มน้าวเมื่อพระเมขิยะมีเหตุขัดข้องอะไรขึ้นจะได้กลับมาเฝ้าพระองค์ครั้นพระเมขิยะทูลขยันขยอพระองค์ก็ทรงอนุญาตฝ่ายพระเมขิยะเมื่อไปอยู่ที่ป่าอัมพวันผู้เดียวแล้ว ต่อมาก็เกิดมีอากุศลวิตกขึ้นเพราะยานของตนยังไม่แก่กล้าสุกงอมไม่สามารถแก้ไขได้จึงกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลให้ทรงทราบ พ, พระองค์จึงตรัสสอนเรื่องทรห้าอย่างที่ช่วยให้เกิดปริปากะแกเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าธรรมเหล่านี้คือความมีกัลยาณมิตรหนึ่งความมีศีลหนึ่ง การมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ร่วมสนทนาอย่างสะดวกสบายในเรื่องต่างๆที่ช่วยชำระจิตใจให้ปลอดโปร่งพองใสเช่นเรื่องความเพียรศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตเป็นต้นหนึ่งการบำเพ็ญเพียรสร้างกุศลธรรมอย่างหนักแน่นจริงจังหนึ่งและความมีปัญญาหนึ่งโดยเฉพาะทรงเน้นว่าความมีกัลยาณมิตรนั้น เป็นพื้นเบื้องต้นอันสำคัญที่จะช่วยให้ได้ทั้งศีลให้ได้ฟังเรื่องที่ดีงามให้ได้บาเพ็ญเพียรและให้ได้ปัญญาเป็นอันว่าขณะนั้นพระเมขียะยังไม่มีปริปากะยังไม่พร้อมที่จะออกไปบาเพ็ญเพียรผู้เดียวอย่างที่ตนประสงค์ยังต้องพึ่งอาศัยกัลยาณมิตรอยู่ ข้อที่สสอนโดยให้ผู้เรียนลงมือทาด้วยตนเองซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนแม่นยำและได้ผลจริงเช่นทรงสอนพระจุลปันธกะผู้โง่เขลาด้วยการให้นำผ้าขาวไปลูบคลําเป็นต้นข้อที่หการสอนดำเนินไปในรูปที่ให้รู้สึกว่า ผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกันในการสแสวงความจริงให้มีการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบเสรีหลักนี้เป็นข้อสำคัญในวิธีการแห่งปัญญาซึ่งต้องการอิสระภาพในทางความคิดและโดยวิธีนี้เมื่อเข้าถึงความจริงผู้เรียนก็จะรู้สึกว่าตนได้มองเห็นความจริงด้วยตนเองและมีความชัดเจนมั่นใจ หลักนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นประจำและมักมาในรูปการถามตอบซึ่งอาจแยกลักษณะการสอนแบบนี้เป็นสองประการประการที่1นรอให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนออกมาชี้ข้อคิดให้แก่เขาส่งเสริมให้เขาคิดและให้ผู้เรียนเป็นผู้วินิจฉัยความรู้นั่นเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้นำช่องทางเข้าสู่ความรู้ในการนี้ผู้สอนมักกลายเป็นผู้ถามปัญหาแทนที่จะเป็นผู้ตอบประการที่สองมีการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบอย่างเสรีแต่มุ่งหาความรู้ไม่ใช่มุ่งแสดงภูมิหรือข่มกัน ข้อที่หเอาใจใส่บุคคลที่ควรได้รับความสนใจพิเศษเป็นรายรๆไปตามควรแก่กาลเทศะและเหตุการณ์เช่นชาวนาคนหนึ่งตั้งใจไว้แต่กลางคืนว่าจะไปฟังพุทธเทศนาบังเอิญวัวหายไปตามได้แล้วรีบมาแต่กว่าจะได้ก็ช้ามากคิดว่าทันฟังท้ายหน่อยก็ยังดี ไปถึงวัดปรากฏว่าพระพุทธเจ้ายังทรงประทับรออยู่นิ่งๆไม่เริ่มแสดงยิ่งกว่านั้นยังให้จัดอาหารให้เขารับประทานจนอิ่มสบายแล้วจึงทรงเริ่มแสดงธรรมหรือเรื่องเด็กหญิงชาวบ้านลูกช่างหูคนหนึ่งอยากฟังธรรมแต่มีงานม้วนกรอได้เร่งอยู่เมื่อทําเสร็จจึงเดินจากบ้านเอาม้วนได้ไปส่งบิดาที่โรง ผ่านโรงธรรมก็แวะน่อยหนึ่งนั่งอยู่แถวหลังสุดของที่ประชุมพระพุทธองค์ก็ยังทรงเอาพระทัยใสหันไปรับสั่งให้เข้าไปนั่งใกล้ๆทักทายปราศัยและสนทนาให้เกียรติให้เด็กนั้นพูดแสดงความเห็นในที่ประชุมและทรงเทศนาให้เด็กนั้นได้รับประโยชน์จากการมาฟังธรรมข้อที่เจ ช่วยเหลือเอาใจใส่คนที่ด้อยที่มีปัญหาเช่นเรื่องพระจุลปันธกะที่กล่าวแล้วเป็นต้นเกี่ยวกับตัวการสอนข้อที่หนึ่งในการสอนนั้นการเริ่มต้นเป็นจุดสำคัญมากอย่างหนึ่ง การเริ่มต้นที่ดีมีส่วนช่วยให้การสอนสำเร็จผลดีเป็นอย่างมากอย่างน้อยก็เป็นเครื่องดึงความสนใจและนำเข้าสู่เนื้อหาได้พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีเริ่มต้นที่น่าสนใจมากโดยปกติพระองค์จะไม่ทรงเริ่มสอนด้วยการเข้าสู่เนื้อหาธรรม ท, ทีเดียวแต่จะทรงเริ่มสนทนากับผู้ทรงพบหรือผู้มาเฝ้า ด้วยเรื่องที่เขารู้เข้าใจดีหรือสนใจอยู่เช่นเมื่อส่งสนทนากับควานช้างก็ส่งเริ่มสนทนาด้วยเรื่องวิธีฝึกช้างพบชาวนาก็สนทนาเรื่องการทำนาพบพราหมณ์ก็สนทนาเรื่องไตรเพศหรือเรื่องธรรมของพราหมณ์บางทีก็ทรงจี้จุดสนใจหรือเหมือนสกิดให้สะดุ้งเป็นการปลุกเร้าความสนใจ เช่นเมื่อเทพโปรดฉดินผู้บูชาไฟส่งเริ่มต้นด้วยคําว่าอะไรอะไรร้อนลุกเป็นไฟหมดแล้วต่อจากนั้นจึงถามและอธิบายต่อไปว่าอะไรร้อนอะไรลุกเป็นไฟนําเข้าสู่ธรรมบางทีก็ใช้เรื่องที่เขาสนใจหรือที่เขารู้นั่นเองเป็นข้อสนทนาไปโดยตลอดโดยแทรกความหมายทางธรรมเข้าไว้ให้ ข้อที่สองสร้างบรรยากาศในการสอนให้ปลอดโปรง่งเพลิดเพลินไม่ให้ตึงเครียดไม่ให้เกิดความอึดอัดใจและให้เกียรติแก่ผู้เรียนให้เขามีความภูมิใจในตัวเช่นเมื่อพราหมณ์โสนาทันทะกับคณะไปเฝ้าท่านโสนาทันทะครุ่นคิดวิตกอยู่ในใจว่าถ้าเราถามปัญหาออกไปหากพระองค์ตรัสว่าพราหมณ์ ปัญหาข้อนี้ท่านไม่ควรถามอย่างนี้ที่ประชุมก็จะหมิ่นเราได้ถ้าพระสมณะโคโดมจะพึงตรัสถามปัญหาเราถ้าแม้เราตอบไม่ถูกพระไทยหากพระองค์ตรัสว่าพราามปัญหาข้อนี้ท่านไม่ควรตอบอย่างนี้ที่ถูกควรแก้อย่างนี้ที่ประชุมก็จะหมิ่นเราได้ถ้ากระไรขอให้พระสมณะโคโดมถามปัญหาเรานเรื่องไตรเพศ อันเป็นคําสอนของอาจารย์เราเถิดเราจะตอบให้ถูกพระไทยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงทายใจพราหมณ์ได้ทรงดำริว่าโซนททันทะที่ลำบากใจอยู่ถ้ากะไรเราพึงถามปัญหาเขาเนเรื่องไตรเพศอันเป็นคําสอนของอาจารย์ฝ่ายเขาเองเถิดแล้วได้จสถามถึงคุณสมบัติของพราหมณ์ทาให้พราหมณ์นั้นสบายใจ แล้วรู้สึกภูมิใจที่จะสนทนาต่อไปในเรื่องซึ่งตัวเขาเองถือว่าเขารู้ชำนาญอยู่เป็นพิเศษและพระองค์ก็ทรงสามารถชักนำพรามนั้นเข้าสู่ธรรมของพระองค์ได้ด้วยการคอยทรงเลือกป้อนคำถามต่างๆกับพรามนั้นแล้วคอยสนับสนุนคำตอบของเขาตอนเข้าสู่ที่พระองค์ทรงพระประสงค์ในธรานองเดียวกัน เมื่อพบนิโครธปริพาชกก็ทรงเปิดโอกาสเชิญให้เขาถามพระองค์ด้วยปัญหาเกี่ยวกับลัทธิฝ่ายเขาทีเดียวข้อที่สสอนมุ่งเนื้อหามุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่สอนเป็นสำคัญไม่กระทบตนและผู้อื่นไม่มุ่งยกตนไม่มุ่งเสียสีใครๆ แม้เมื่อมีผู้มาทูลถามเรื่องคำสอนของเจ้าลทัทธิต่างๆว่าของคนใดผิดคนใดถูกพระองค์ก็จะไม่ทรงตัดสินแต่จะทรงแสดงหลักธรรมให้เขาฟังคือให้เขาคิดพิจารณาตัดสินเอาด้วยตนเองยกตัวอย่างเช่นคราวหนึ่งพราหมณ์สองคนเข้าไปเฝ้าทูลถามว่าท่านปุรณะกัสปะเจ้าลทัทธิหนึ่ง กับท่านนิครนทนาตบุตรอีกเจ้าลทัทธิหนึ่งต่างก็ปฏิ ญ, ญาว่าตนเป็นผู้ที่รู้ที่สุดด้วยกันว่าท้าเป็นปฏิปักษ์กันใครจริงใครเท็จพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ายาเลยพราหม์ข้อที่ทั้งสองนี้ต่างพูดอวดรู้มีว่าท้าเป็นปฏิปักษ์กันนั้นใครจะจริงใครจะเท็จพักเวทเถิด เราจากแสดงธรรมให้ท่านทั้งสองฟังขอให้ท่านตั้งใจฟังเถิดเรื่องเช่นนี้มีปรากฏหลายแห่งในพระไตรปิฎกแม้เมื่อแสดงธรรมตามปกติในที่ประชุมสาวกก็ไม่ส่งยกยอและไม่ส่งรุกรานที่ประชุมส่งชี้แจงให้รู้เข้าใจชัดเจนไปตามธรรม ข้อที่สสอนโดยเคารพคือตั้งใจสอนด้วยความรู้สึกว่าเป็นเรื่องจริงจังมีคุณค่ามองเห็นความสำคัญของผู้เรียนและของงานสั่งสอนนั้นไม่ใช่สักว่าธทมหรือเห็นผู้เรียนโง่เขลาหรือเห็นเป็นชั้นต่ำๆอย่างพระพุทธเจาริยาที่ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ตถาคต จะแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายตถาคดยอมแสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพถ้าแม้จะแสดงแก่ภิกษุณีแก่อุบาสกอุบาสิกาแก่ปุถุชนทั้งหลายโดยที่สุดแม้แก่คนขอทานและพรานนกก็ยอมแสดงโดยเคารพหาแสดงโดยขาดความเคารพไม่ ข้อที่หใช้ภาษาสุภาพนุ่มนวลไม่หยาบคายชวนให้สบายใจสละสลวยเข้าใจง่ายอย่างที่ว่าพระสมณะโคโดมมีพระดำรัสไพเราะรู้จักตรัสถ้อยคําได้งดงามมีพระวาจาสุภาพสละสลวยไม่มีโทษอย่างผู้ฟังให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดแจ้ง ก่อนจบตอนนี้ขอนำพุทธพจน์แห่งหนึ่งที่ตรัสสอนภิกษุผู้แสดงธรรมเรียกกันว่าองค์แห่งพระธรรมมกถะถจากอังคุตระนิกายปัญจาการนิบาทมาแสดงไว้ดังนี้อนนนการแสดงธรรมให้คนอื่นฟังมิใช่สิ่งที่กระทำได้ง่ายผู้แสดงธรรมแก่คนอื่น พึงตั้งทำห้าอย่างไว้ในใจคือ 1. เราจะกล่าวชี้แจงไปตามลำดับ 2. เราจะกล่าวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ 3. เราจะแสดงด้วยอาศัยเมตตา 4. เราจะไม่แสดงด้วยเห็นแก่อามิตรห เราจะแสดงไปโดยไม่กระทบตนและผู้อื่นตอนที่สลีลาการสอนเมื่อมองกว้า ง, ก า, งการสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งจะดำเนินไปจนถึงผลสำเร็จโดยมีคุณลักษณะซึ่งเรียกได้ว่า เป็นลีลาในการสอนสี่อย่างดังนี้ 1. สันทัศนาอธิบายเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตา 2. ส, สมาธปนาจูงใจให้เห็นจริงด้วยชวนให้คล้อยตามจนต้องยอมรับและนำไปปฏิบัติ สมสมุดเตชนาเราใจให้กล้ากล้าบังเกิดกำลังใจหลุกใจมีอุตสาหะแข็งขันมั่นใจว่าจะทำให้สำเร็จได้ไม่หวันระยอต่อความเหนื่อยยาก 4. สัมปะหังสนาชโลมใจให้แช่มชื่นราเริงเบิกบานฟังไม่เบื่อและเปี่ยมด้วยความหวัง เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติอาจผูกเป็นคำสั้นๆว่าแจ่มแจ้งจูงใจกล้าวกล้าราเริงหรือชี้ชัดเชิญชวนคึกคักเบิกบานตอนที่หวิธีสอนแบบต่างๆ วิธีสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายแบบหลายอย่างที่น่าสังเกตรหรือพบบ่อยคงจะได้แก่วิธีต่อไปนี้วิธีที่หนึ่งแบบสัจฉาหรือสนทนาวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใดๆโดยเฉพาะในเมื่อผู้มาเฝ้าหรือทรงพบนั้นยังไม่ได้เรื่อมใสศรัทธาในพระศาสนา ยังไม่รู้ไม่เข้าใจหลักธรรมในการสนทนาพระพุทธเจ้ามักจะทรงเป็นฝ่ายถามนําคู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรมและความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาในที่สุดแม้ในหมู่สาวกพระองค์ก็ทรงใช้วิธีนี้ไม่น้อยและทรงส่งเสริมให้สาวกสนทนาธรรมกันอย่างในมงคลลสูตรว่ากาเลนะธรรมสากชฉา เอตัมมังคลมุตตมังการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอันอุดมดังนี้วิธีที่สองแบบบรรยายวิธีสอนแบบนี้น่าจะทรงใช้ในที่ประชุมใหญ่ในการแสดงธรรมประจำวันซึ่งมีประชาชนหรือพระสงฆ์จำนวนมาก และส่วนมากเป็นผู้มีพื้นความรู้ความเข้าใจกับมีความเลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้วมาฟังเพื่อหาความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมและหาความสงบสุขทางจิตใจนับได้ว่าเป็นคนประเภทและระดับใกล้เคียงกันพอจะใช้วิธีบรรยายอันเป็นแบบกว้างๆได้ลักษณะพิเศษของพุทธวิธีสอนแบบนี้ ที่พบในคำพีบอกว่าทุกคนที่ฟังพระองค์แสดงธรรมอยู่ในที่ประชุมนั้นแต่และคนรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าตรัสอยู่กับตัวเองโดยเฉพาะซึ่งนับว่าเป็นความสามารถอศัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าวิธีที่สแบบตอบปัญหา ผู้ที่มาถามปัญหานั้นนอกจากผู้ที่มีความสงสัยข้องใจในข้อธรรมต่างๆแล้วโดยมากเป็นผู้นับถือลทัทธิศาสนาอื่นบางก็มาถามเพื่อต้องการรู้คําตอบทางฝ่ายพระพุทธศาสนาหรือเทียบเคียงกับคําสอนในลทัทธิของตนบางก็มาถามเพื่อลองภูมิบางก็เตรียมมาถามเพื่อข่มปราบให้จนหรือให้ได้รับความอับอาย ในการตอบพระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะของปัญหาและใช้วิธีตอบให้เหมาะกันในสังคีติสูตรท่านแยกประเภทปัญหาไว้ตามลักษณะวิธีตอบเป็นสี่อย่างคือหนึ่งเอกังสัพยาการณียปัญหาปัญหาที่พึงตอบตรงไปตรงมาตายตัว พระอัฏฐธากถ า, าจารย์ยกตัวอย่างเช่นถามว่าจากสุเป็นอนิจจังหรือพึงตอบตรงไปได้ทีเดียวว่าถูกแล้ว 2. ปฏิปุชาพยากรณียปัญหาปัญหาที่พึงย้อนถามและจึงแก้ท่านยกตัวอย่างเช่นเขาถามว่าโสตะก็เหมือนจากสุหรือ พึงย้อนถามก่อนว่าที่ถามนั้นหมายถึงแง่ใดถ้าเขาว่าในแง่เป็นเครื่องมองเห็นพึงตอบว่าไม่เหมือนถ้าเขาว่าในแง่เป็นอนิจจังจึงควรตอบรับว่าเหมือน 3. วิพัชชาพยากรณียปัญหาปัญหาที่จะต้องยากแยะตอบ เช่นเมื่อเขาถามว่าสิ่งที่เปลี่ยนอนิจจงได้แก่จกักษุใช่ไหมพึงจำแนก่ความออกแยกแยกตอบว่าไม่เฉพาะจากักษุเท่านั้นถึงโสตะคานะและอื่นๆก็เป็นอนิจจงหรือปัญหาว่าประตถาโคตรัสวาจาซึ่งไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นไหมก็ต้องแยกตอบตามหลักการตรัสวาจาจหก หรือปัญหาว่าพระพุทธเจ้าทรงติเตียนตะบะทั้งหมดจริงหรือก็ต้องแยกตอบว่าชนิดใดติเตียนชนิดใดไม่ติเตียนดังนี้เป็นต้นสถปณิญปัญหาปัญหาที่พึงยับยั้งเสียได้แก่ปัญหาที่ถามนอกเรื่องไร้ประโยชน์ อันจักเป็นเหตุให้เขวยืดเยื้อสิ้นเปลืองเวลาเปล่าพึงยับยั้งเสียแล้วชักนำผู้ถามกลับเข้าสู่แนวหรือเรื่องที่ประสงค์ต่อไปท่านยกตัวอย่างเมื่อถามว่าชีวะอันใดสรีระก็อันนั้นหรืออย่างนี้เป็นคำถามประเภทเก่งความจริงซึ่งถึงจะอธิบายอย่างไร พูดถามก็ไม่อาจเข้าใจหรือพบข้อยุติเพราะไม่อยู่ในฐานะที่เขาจะเข้าใจได้พิสูจน์ไม่ได้ทั้งไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เขาด้วยนอกจากนี้ท่านยังสอนให้คำนึงถึงเหตุแห่งการถามปัญหาด้วยในเรื่องนี้พระสาวรีบุตรอ克拉สาวกเคยแสดงเหตุแห่งการถามปัญหาไว้ว่า บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งย่อมถามปัญหากับผู้อื่นด้วยเหตุห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง5อย่างคือ 1. บางคนย่อมถามปัญหาเพราะความโง่เขลาเพราะความไม่เข้าใจ 2. บางคนมีความปรารถนาลามกเกิดความอยากได้จึงถามปัญหา 3. บางคนย่อมถามปัญหาด้วยต้องการอวดเด่นขมเขาสบางคนย่อมถามปัญหาด้วยประสงค์จะรู้5บางคนย่อมถามปัญหาด้วยมีความดำมริว่าเมื่อเราถามแล้วถ้าเขาตอบได้ถูกต้องก็เป็นการดีแต่ถ้าเราถามแล้วเขาตอบไม่ถูกต้อง เราจะได้ช่วยแก้ให้เขาโดยถูกต้องในการตอบปัญหานอกจากรู้วิธีตอบแล้วถ้าได้รู้ซึ้งถึงจิตใจของผู้ถามด้วยว่าเขาถามด้วยความประสงค์อย่างใดก็จะสามารถกล่าวแก้ได้เหมาะแก่การและตอบปัญหาได้ตรงจุดทำให้การสอนได้ผลดียิ่งขึ้น สำหรับเหตุแห่งการถามปัญหาห้าอย่างที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้นั้นในที่นี้ขอให้เทียบพุทธธรรมดาหรือพุทธประเพณีในการตรัสถามคาถามซึ่งมีมาในพระวินัยพิดกเล่มที่ห้าเป็นต้นดังนี้ตถาคตทั้งหลายทั้งที่ทรงทราบอยู่ย่อมตรัสถามก็มีทั้งที่ทรงทราบอ ย, ย, ออยู่แต่ไม่ตรัสถามก็มี ทรงกําหนดทราบการอันเหมาะสมแล้วจึงตรัสถามทรงกําหนดทราบการไม่เหมาะแล้วจึงไม่ตรัสถามพระองค์ตรัสถามแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ตรัสถามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ทรงปิดทางเสียทีเดียวพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงสอบถามภิกษุด้วยอาการสองแบบ คือจะทรงแสดงธรรมหรือจะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายวิธีสอนแบบที่4แบบวางกฎข้อบังคับเมื่อเกิดเรื่องมีภิกษุกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นครั้งแรกพระสงฆ์หรือประชาชนเล่าลือพลธนาตีเตียนกันอยู่ มีผู้นำความมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะทรงเรียกประชุมสงฆ์สอบถามพระภิกษุผู้กระทําความผิดเมื่อเจ้าตัวรับได้ความเป็นสารจริงแล้วก็จะทรงตำหนิชี้แจงผลเสียหายที่เกิดแก่ส่วนรวมพรรณนาผลร้ายของความประพฤติไม่ดีและคุณประโยชน์ของความประพฤติที่ดีงามแล้วทรงแสดงธรรมกถาที่สมควร เหมาะสมกันกับเรื่องนั้นจากนั้นจะตรัสให้สงทราบว่าจะทรงบัญญัติสิกขาบทโดยทรงแถลงวัตถุประสงค์ในการบัญญัติให้ทราบแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทข้อน น, นั้นๆไว้โดยความเห็นชอบพร้อมกันของสงฆ์ในถ้ำกลางสงฆ์และโดยความรับทราบร่วมกันของสงฆ์ในการสอนแบบนี้ เึงสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทโดยความเห็นชอบของสงค์ซึ่งบาลีใช้คำว่าส ut ังคสุดทุตตายะแปลว่าเพื่อความรับว่าดีแห่งสง์ท่านอธิบายความหมายว่าทรงบัญญัตโดยชี้แจงให้เห็นแล้วว่าถ้าไม่รับจะเกิดผลเสียอย่างไรเมื่อรับจะมีผลดีอย่างไรจนสง์รับคาของพระองค์ว่า ดีแล้วไม่ทรงบังคับเอาโดยพลาการตอนที่6กกลวิธีและอุบายประกอบการสอนข้อที่หนึ่งการยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ การยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายและการเล่านิทานประกอบการสอนช่วยให้เข้าใจความได้ง่ายและชัดเจนช่วยให้จำแม่นเห็นจริงและเกิดความเพลิดเพลินทำให้การเรียนการสอนมีรสยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อจะอธิบายให้เห็นว่าคนมีความปรารถนาดีอยากช่วยทำประโยชน์แต่หากขาดปัญญาอาจกลับทาลายประโยชน์เสียก็ได้ ก็เล่านิทานชาดกเรื่องลิงเฝ้าสวนหรือคนขายเหล้าเป็นตน้นพระพุทธเจ้าทรงใช้อุทาหรณ์และนิทานประกอบการสอนมากมายเพียงใดจะเห็นได้จากการที่ในคำพีต่างๆมีอุทาหรณ์และนิทานปรากฏ อ, อยู่ทั่วไปเฉพาะคมพีชาดกอย่างเดียวก็มีนิทานชาดกถึง547เรื่อง ข้อที่2การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมาคำอุปมาช่วยให้เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากปรากฏความหมายเด่นชัดออกมาและเข้าใจง่ายขึ้นโดยเฉพาะมักใช้ในการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมเปรียบให้เห็นชัดด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือแม้เปรียบเรื่องที่เป็นรูปธรรมด้วยข้ออุปมาแบบรูปธรรม ก็ช่วยให้เนื้อความหนักแน่นเข้าเช่นภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งทึบย่อมไม่หวั่นไหวด้วยแรงลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวเพราะคำนินทาและสรรเสริญฉันนั้นคนที่เรียนรู้น้อยได้แต่แก่เท่าไปเหมือนโคถึกเนื้อหนังของเขาเติบใหญ่แต่ปัญญาหาพัฒนาไม่ เมื่อดวงอาทิตย์จะอุทยัยมีแสงเงินแสงทองปรากฏขึ้นเป็นนิมิตมาก่อนชั้นใดความยายามีกัลยาณมิตรก็เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตหมายแห่งการเกิดขึ้นของโพชฌงเจ็ดชั้นนั้นการใช้อุปมานี้น่าจะเป็นกลวิธีประกอบการสอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้มากที่สุดมากกว่ากลวิธีอื่นใด ข้อที่3การใช้อุปกรณ์การสอนในสมัยพุทธกาลย่อมไม่มีอุปกรณ์การสอนชนิดต่างๆที่จัดทาขึ้นไว้เพื่อการสอนโดยเฉพาะเหมือนสมัยปัจจุบันและยังไม่มีการจัดการศึกษาเป็นระบบขึ้นมาอย่างแพร่หลายกว้างขวางหากจะใช่อุปกรณ์บ้างก็คงต้องอาศัยวัตถุสิ่งของที่มีในธรรมชาติหรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ผู้คนใช้กันอยู่อีกประการหนึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ก็มักเป็นคำสอนที่ตรัสแก่ผู้ใหญ่และเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมทั้งสอนเคลื่อนที่ไปในดินแดนแว่นแควนต่างๆอย่างอิสระชนิดที่ผู้สอนไม่มีทราบสมบัติติดตัวด้วยเหตุนี้ความจำเป็นที่จะใช้อุปกรณ์จึงมีน้อย และโอกาสที่จะอาศัยอุปกรณ์ก็เป็นไปได้ยากนอกจากนั้นการใช้ข้ออุปมาต่างๆก็สะดวกกว่าและให้ความเข้าใจชัดเจนอยู่แล้วแม้เมื่อใช้ของจริงเป็นอุปกรณ์ก็มักใช้ในแง่อุปมาอีกนั่นเองจึงปรากฏว่าคําสอนในแง่อุปมามีมากมายแต่ไม่ค่อยปรากฏการใช้อุปกรณ์การสอนอย่างไรก็ดี มีตัวอย่างการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้อุปกรณ์การสอนในกรณีสอนผู้เรียนที่มีอายุเนย้อย oy, ซึ่งเข้าใจจากวัตถุได้ง่ายกว่านำมาทำโดยทรงใช้เครื่องใช้ที่มีอยู่จึงปรากฏเรื่องที่พระองค์ทรงสอนสมเณรราหุลเมื่ออายุเจ็ดขวบว่าวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จมานัดที่อยู่ของสมเณรราหุลสมเณรมองเห็นแล้ว ก็ปูลาดอาสนะและจัดน้ำล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคล้างพระบาทแล้วทรงเหลือน้ำไว้ในภาชนะหน่อยหนึ่งเมื่อสามเณรถวายบังคมนั่งเรียบร้อยแล้วพระองค์ได้ตรัสถามว่าราหุลเธอเห็นน้ำที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งในภาชนะนี้หรือไม่สามเณรราหุลทูลว่าเห็นจึงตรัสว่าคนที่พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ ก็มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยู่น้อยเหมือนอย่างนั้นเสร็จแล้วทรงเทน้ํานั้นเสียตรัสถามว่าเธอเห็นเราเทน้ําหน่อยหนึ่งนั้นทิ้งไปแล้วไหมสา ม, มเณรทูลว่าเห็นรัดว่าคนที่ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ก็เป็นผู้เทคุณธรรมของสมณะออกทิ้งเสียเหมือนอย่างนั้น แล้วทรงคว่ำภัชนะลงตรัสถามว่าเธอเห็นภัชนะนี้คว่ำลงแล้วไหมสา ม, มนเณนทูลว่าเห็นตรัสว่าคนที่ไม่มีความละอายในการพูดเท็จทั้งรู้อยู่คุณธรรมของสมณะของเขาก็ชื่อว่าคว่ำไปแล้วเหมือนอย่างนั้นแล้วทรงหงายภัชนะขึ้นตรัสถามว่าเธอเห็นภัชนะนี้ว่างเปล่าไหม สามเณรทูลว่าเห็นจึงตรัสว่าคนที่ไม่มีความละอายในการพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่คุณธรรมแห่งสมณะของเขาก็ว่างเปล่าเหมือนอย่างนั้นตรัสถามว่าราหุลแว่นมีประโยชน์อย่างไรทูลตอบว่ามีประโยชน์สําหรับส่องดูพระเจ้าค่ะตรัสว่าอันนั้นเหมือนกันราหุล บุคคลควรพิจารณาเสียก่อนจึงกระทํากรรมด้วยกายวาจาและใจในการสอนสัมมาเน น, นีบางทีก็ส่งใช้วิธีไทยปัญหาซึ่งคงจะช่วยให้เกิดความรู้สึกสนุกสําหรับเด็กอย่างเรื่องสอนทำยากๆด้วยสัมาเนนปัญหาว่าอะไรเอ่ยมีอย่างเดียวอะไรเอ่ยมีสองอย่างอะไรเอ่ยมีสามอย่างเป็นต้น ข้อที่สการทำเป็นตัวอย่างวิธีสอนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในทางจริยธรรมคือการทำเป็นตัวอย่างซึ่งเป็นการสอนแบบไม่ต้องกล่าวสอนเป็นทำนองการสาธิตให้ดูแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำนั้นเป็นไปในลักษณะที่ทรงเป็นผู้นำที่ดีการสอนโดยทาเป็นตัวอย่าง ก็คือพระจริยวัรอันดีงามที่เป็นอยู่ตามปกตินั่นเองแต่ที่ทรงปฏิบัติเป็นเรื่องราวเฉพาะก็มีเช่นคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์ตามเสด็จขณะเสด็จไปตามเสนาสนะที่อยู่ของพระสงฆ์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคท้องร่วงนอนจมกองมูดละคูดของตนไม่มีผู้พยาบาลดูแล จึงเสด็จเข้าไปหาจัดการทำความสะอาดให้นอนโดยเรียบร้อยเสร็จแล้วจึงทรงประชุมสงทรงสอบถามเรื่องนั้นและตรัสตอนหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีมานดาไม่มีบิดาผู้ใดเล่าจะพยาบาลพวกเธอถ้าพวกเธอไม่พยาบาลกันเองใครเล่าจากพยาบาล ผู้ใดจะอุปทาเราผู้นั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธเถิดข้อที่หการเล่นภาษาเล่นคำและใช้คำในความหมายใหม่การเล่นภาษาและเล่นคำเป็นเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาผสมกับปฏิพัณ์ ข้อนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าที่มีรอบไปทุกด้านเมื่อผู้ใดทูล ถ, ถามมาเป็นคำร้อยกรองพระองค์ก็ทรงตอบเป็นคำร้อยกรองไปทันทีทำนองกรอนสดบางทีเขาทูลถามหรือกล่าวข้อความโดยใช้คำที่มีความหมายในทางไม่ดีงามพระองค์ก็ตรัสตอบไปด้วยคำพูดเดียวกันนั่นเอง แต่เป็นคำพูดในความหมายที่ต่างออกไปเป็นฝ่ายดีงามคำสนทนาโต้อตอบแบบนี้มีรสอยู่แต่ในภาษาเดิมแปลออกสู่ภาษาอื่นย่อมเสียรสเสียความหมายยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นในภาษาไทยว่าปากกาหักปันตาตกน้ำอาจใช้ในความหมายต่างกันได้ในภาษาไทย แต่เมื่อแปลเป็นภาษาอื่นย่อมเสียรสบางครั้งผู้มาเฝ้าบริพาศพระองค์ด้วยคำพูดที่รุนแรงยิ่งพระองค์ทรงยอมรับคำบริพาศเหล่านั้นทั้งหมดและทรงแปลความหมายอธิบายใหม่ให้เป็นเรื่องที่ดีงามเช่นกรณีของเวรัญชพรามและศีหาเสนาบดีผู้รับแผนมาจากนิครนทนาตบุตร แม้ในด้านการสอนหลักธรรมทั่วไปพระองค์ก็ทรงรับเอาคำสับที่มีใช้อยู่แต่เดิมในลัฐที่ศาสนาเก่ามาใช้แต่ทรงกำหนดความหมายให้ใหม่ซึ่งเป็นวิธีการช่วยให้ผู้ฟังผู้เรียนหันมาสนใจและกำหนดคำสอนได้ง่ายเพียงแต่มาทำความเข้าใจซสใหม่เท่านั้นและเป็นการช่วยให้มีการพิจารณาเปรียบเทียบไปในตัวด้วยว่าอย่างไหนถูก ยังไหนผิดอย่างไรจึงเห็นได้ว่าคำว่าพรมพราหมณ์อริยะยันตบะไฟบูชายันและอื่นๆซึ่งเป็นคำในลทัทธิศาสนาเดิมก็มีใช้ในพระพุทธศาสนาด้วยทั้งสิน้นแต่มีความหมายต่างออกไปเป็นอย่างอื่นข้อที่ห อุบายเลือกคนและการปฏิบัติรายบุคคลการเลือกคนเป็นอุบายสำคัญในการเผยแพร่พระศาสนาในการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าเริ่มแต่ระยะแรกประดิษฐานพระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงดำเนินพุทธกิจด้วยพระพุทธโธบายอย่างที่เรียกว่าการวางแผนที่ได้ผลยิ่งทรงพิจารณาว่า เมื่อจะเข้าไปประกาศพระศาสนาในถิ่นใดถิ่นหนึ่งควรไปโปรดใครก่อนเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆได้เสด็จไปโปรดเบญจวคัคคีผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์เมื่อครั้งออกสแสวงทมก่อนข้อนี้พิจารณาได้ทั้งในแง่ที่เบญจวคัคคีเป็นผู้ฝ่ายธรรมมีอุปนิสัยอยู่แล้วหรือในแง่ที่เป็นผู้เคยมีอุปการะ ก, กันมา หรือในแง่ที่ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจทำให้ผู้เคยเกี่ยวข้องหมดความคลางแคลงในพระองค์ตัดปัญหาในการที่ท่านเหล่านี้หาจไปสร้างความคลางแคลงใจขึ้นแก่ผู้อื่นต่อไปด้วยครั้นเสร็จสั่งสอนเบญจวคีแล้วก็ได้โปรดยะสากุมารพร้อมทั้งเศรษฐีผู้บิดาและญาติมิตรและเมื่อจะเสด็จเข้าแคว้นมาคด พระองค์ก็เสด็จไปโปรดฉดินสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวารทั้งพันเริ่มด้วยฉดินคนพี่ใหญ่เสียก่อนและนำชดินเหล่านี้ผู้กลายเป็นสาวกแล้วเข้าสู่นครราชครึประกาศธรรมณพระนคร น, นั้นได้ราชาเป็นสาวกเป็นอันว่าพอเริ่มต้นประกาศพระาศาสนาก็ได้ทั้งนักบวชผู้ใหญ่เศรษฐีและราชา ซึ่งเป็นคนชั้นสูงสมัยนั้นเป็นสาวกเป็นการทำทางเสด็จเผยแผ่ให้ปลอดโปร่งต่อไปในการสร่งสั่งสอนคนแต่ละถิ่นหรือแต่ละหมูคนะ่คณะก็มักส่งเริ่มต้นที่บุคคลผู้เป็นประมุขเช่นพระมหากษัตริย์หรือหัวหน้าของชนหมู่นั้นๆทำให้การประกาศพระาศาสนาได้ผลดีและรวดเร็ว และเป็นการยืนยันพระปรีชาสามารถของพระองค์ด้วยในการบำเพ็ญพุทธกิจประจำวันพระองค์ก็ทรงสอดส่องพิจารณาบุคคลผู้ควรโปรดในวันนั้นตั้งแต่เวลาจวนรุ่งสางและเสด็จไปโปรดในเวลาเช้าเป็นการให้ความสนพระไทยสงเคราะหบุคคลเป็นรายๆซึ่งให้ผลดีในการสอนยิ่งกว่าการสอนแบบัศาสตร์ไป แม้เมื่อแสดงธรรมในที่ประชุมก็ทรงกำหนดบุคคลที่ควรเอาพระไทยไสยพิเศษในคราวนั้นๆไว้ด้วยกับทั้งแสดงธรรมโดยวิธีการที่จะทำให้ทุกคนในที่ประชุมได้รับประโยชน์ไปอย่างเป็นที่น่าพอใจให้เกิดความรู้สึกแก่ทุกคนว่าพระพุทธเจ้าตรัสอยู่กับตนดังที่กล่าวแล้ว ข้อที่7การรู้จักจังหวะและโอกาสผู้สอนต้องรู้จักใช้จังหวะและโอกาสให้เป็นประโยชน์เมื่ อ, อยังไม่ถึงจังหวะไม่เป็นโอกาสเช่นผู้เรียนยังไม่พร้อมอยังไม่เกิดปริปาการแห่งญาณหรืออินทรีย์ก็ต้องมีความอดทนไม่ชิงหักหารหรือดึงดันทมแต่ก็ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ เมื่อถึงจังหวะหรือเป็นโอกาสก็ต้องมีความฉับไวที่จะจับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปเสียเปล่าแม้ในการเผยแพร่ธรรมแก่คนส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติตามจังหวะและโอกาสด้วยเช่นในระยะแรกประกาศพระาศาสนาณวันมาคาบุรณมีหลังตรัสรู้เก้าเดือนเมื่อประทับอยู่ณเวลุวัน พระสงฆ์สาวกชุมนุมพร้อมกันณนที่นั้นและเป็นโอกาสเหมาะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกสำหรับเป็นหลักยึดถือร่วมกันของสงฆ์ที่จะแยกย้ายกันไปบําเพ็ญศาสนากิจเมื่อคราวนิครนทนาตบุตรสิ้นชีวิตเกิดความแตกแยกในหมู่นิครนพระสารีบุตรถือเหตุการณ์นั้นเป็นตัวอย่าง ที่ให้ภิกษุสงฆ์เห็นความสำคัญในการร้อยกรองธรรมวินัยชักชวนพระสงฆ์ให้พร้อมใจกันทำสังคยนาและท่านได้ทำสังคยนาเป็นตัวอย่างโดยแสดงสังคีติสูตรไว้ข้อที่8ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ถ้าผู้สอนสอนอย่างไม่มีอัตตาตัดตันหามานะทิฐิเสียได้ก็จะมุ่งไปยังผลสำเร็จในการเรียนรู้เป็นสำคัญสุดแต่จะใช้กลวิธีใดให้การสอนได้ผลดีที่สุดก็จะทำในทางนั้นไม่กลัวว่าจะเสียเกียรติไม่กลัวจะถูกรู้สึกว่าแพ้บางคราวเมื่อสมควรก็ต้องยอมให้ผู้เรียนรู้สึกตัวว่าเขาเก่ง บางคราวสมควรข่มก็ขม่มบางคราวสมควรอ่อนอ่อนผ่อนตามก็ยอมตามสมควรขัดก็ขัดสมควรคล้อยก็คล้อยสมควรปลอบก็ปลอบมีพุทธพจน์ว่าเราย่อมฝึกคนด้วยวิธีละมุนละไมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยวิธีที่ทั้งอ่อนและละมุนละไมและทั้งรุนแรงปนกันไปบ้าง คนบางคนจะให้เขายอมได้ด้วยการที่ยอมให้เขารู้สึกว่าตัวเขามีเกียรติหรือเก่งหรือได้สมใจก่อนผู้สอนจับจุดได้ก็ใช้วิธีสนองความต้องการแล้วดึงเข้าสู่ที่หมายได้ตามประสงค์เช่นคราวที่เวรัญชพรามบริพาทพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรับสมอ้างตามคำบริพาทนั้นให้สมใจพรามและจึง่อยชี้แจงแก้ไข ให้ขอยอมรับตามพระองค์ภายหลังเมื่อเผชิญอาละวาดยักษ์ผู้ดุร้ายพระองค์เสด็จเข้าไปในที่อยู่ของอละวะกะอาละวะกะสั่งพระองค์ให้เสด็จออกไปพระองค์ก็เสด็จออกตามสั่งอาละวะกะสั่งพระองค์ให้เสด็จเข้าไปอีกพระองค์ก็เสด็จเข้าอีกอาละวะกะ สั่งให้พระองค์เสด็จเข้าเสด็จออกอย่างนี้ซึ่งพระองค์ก็ทรงปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายถึงสามวาระให้เขารู้สึกสมใจในอำนาจของตนก่อนต่อจากนั้นจึงทรงเปลี่ยนกลวิธีและก็ได้โปรดอาลวะกะลงเป็นสาวกสาเร็จอีกตัวอย่างหนึ่งพรามคนหนึ่งเป็นคนมีมานะนิสัยแข็งกระด้าง ไม่ไว่แม้แต่มารดาบิดาอาจารย์และพี่ชายวันหนึ่งขณะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมอยู่ในที่ประชุมเขาคิดว่าจะลองเข้าไปเฝ้าถ้าพระสมณโคดมตรัสกับเราเราก็จะพูดกับท่านถ้าพระสมณโคดมไม่ตรัสกับเราเราก็จะไม่พูดกับท่านแล้วเข้าไปเยือนอยู่ข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคก็ทรงเฉยเสียไม่ตรัสด้วยพรามทาท่าจะกลับออกไปโดยคิดว่าสมณะโคดมองค์นี้ไม่มีความรู้อะไรพระผู้มีพระภาคทราบความในใจของเขาอยู่ถึงตอนนี้จึงตรัสคาถาว่าพรามเอยความถือตัวไม่ช่วยให้ใครได้ดีอะไรเลยใครมาเพื่อประโยชน์ใด ก็ควรเสริมสร้างประโยชน์นั้นเสียเมื่อตรัสพระดำรัสนี้ในจังหวะนี้ก็ได้ผลทำให้พราหมณ์ชะงักคิดว่าพระสมณะโคโดมรู้ใจเราจึงยอมสุดลงนั่งแสดงคาระวะทำให้ที่ประชุมงงงวยประหลาดใจว่าน่าอัศจรรย์จริงพราหมณ์นี้ไม่ไหวแม้แต่มารดาบิดาอาจารย์พี่ชายแต่พระสมณะโคโดม ทรงทำให้คนอย่างนี้นอบนบได้เป็นอย่างดีจากนั้นพระองค์จึงได้ทรงเชิญให้เขานั่งบนอาสนะแล้วตอบปัญหาธรรมแก่เขาจนลงท้ายเขาได้ประกาศตนเป็นอุบาสกข้อที่9กาการลงโทษและให้รางวัล มีคำสรรเสริญพระพุทธคุณที่ยกมาแสดงข้างต้นแล้วว่าพระผู้มีพระภาคทรงฝึกอบรมชุมชนได้ดีถึงเพียงนี้โดยไม่ต้องใช้อาชญาซึ่งแสดงว่าการใช้อำนาจลงโทษไม่ใช่วิธีการฝึกคนของพระพุทธเจ้าแม้ในการแสดงธรรมตามปกติพระองค์ก็ทรงแสดงไปตามเนื้อหาธรรมไม่กระทบกระทั่งใคร อย่างที่ว่าส่งแสดงธรรมในบริษัทไม่ทรงยอบริษัทไม่ส่งลุกรานบริษัทส่งชี้แจงให้บริษัทเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้ร่าเริงด้วยธรรมิกถาและ ว, ว่าพึงรู้จักการยกยอและการลุกรานครั้นรู้แล้วไม่พึงยกยอไม่พึงลุกราน พึ่แสดงแต่ทมเท่านั้นข้อนี้ตีความไปได้ถึงว่าไม่ใช่ทั้งวิธีลงโทษและให้รางวัลแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงใช้การชมเชยยกย่องบ้างก็เป็นไปในรูปการยอมรับคุณความดีของผู้นั้นกล่าวชมโดยรรมให้เขามั่นใจในการกระทาความดีของตน แต่ไม่ให้เกิดเป็นการเปรียบเทียบข่มคนอื่นลงบางทีทรงชมเพื่อให้ถือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อแก้ความเข้าใจผิดให้ตั้งทัศนคติที่ถูกเช่นทรงชมพระนันทกะชมพระนวกะรูปหนึ่งชมพระสุชาตะชมพระละกุนตกะพัทยะชมพระวิสาขาปัญจาละบุตรและตำหนิเตือนพระนันทะเป็นตน้น อย่างไรก็ดีการลงโทษน่าจะมีอยู่แบบหนึ่งคือการลงโทษตนเองซึ่งมีทั้งในทางธรรมและทางวินัยในทางพระวินัยถือว่ามีบทบัญญัติความประพฤติอยู่แล้วและบทบัญญัติเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตราไว้โดยความเห็นชอบร่วมกันของสงฆ์พร้อมทั้งมีบทกำหนดโทษไว้เสร็จเมื่อผู้ใดล่วงละเมิด ก็เป็นการกระทาผิดต่อส่วนรวมต้องไถ่ถอนความผิดของตนมิฉะนั้นจะเป็นผู้ไม่เป็นที่ยอมรับของสงฆ์คือหมู่คณะทั้งหมดส่วนในทางธรรมภิกษุที่เหลือขอจริงๆสอนไม่ได้ก็กลายเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าและเพื่อนพรมมาราีทั้งปวงไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ควรจะว่ากล่าวสั่งสอน โดยวิธีนี้ถือว่าเป็นการลงโทษอย่างรุนแรงที่สุดพิจารณาจากพระพุทธคุณตอนต้นของข้อนี้จะเห็นว่าการสอนโดยไม่ต้องลงโทษเป็นการแสดงความสามารถของผู้สอนด้วยในระดับสามัญสำหรับผู้สอนทั่วไปอาจต้องคิดคำนึงว่าการลงโทษควรมีหรือไม่ แค่ไหนและอย่างไรแต่ผู้ที่สอนคนได้สำเร็จผลโดยไม่ต้องใช้อาชญาโทษเลยย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีความสามารถในการสอนมากที่สุดข้อที่10กกลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นต่างครั้งต่างคราวย่อมมีลักษณะแตกต่างกันไปไม่มีที่สุดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าย่อมมาใช้ปฏิพานคือความสามารถในการประยุกต์หลักวิธีการและกละวิธีต่างๆมาใช้ให้เหมาะสมเป็นเรื่องเฉพาะครั้งเฉพาะคราวไปอย่างไรก็ดีการได้เห็นตัวอย่างการแก้ปัญหาเช่นนี้ อาจช่วยให้เกิดความเข้าใจในแนวทางที่จะนําไปใช้ปฏิบัติได้บ้างในการประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงประสบปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาและทรงแก้สำเร็จไปในรูปต่างๆกันเช่นพราหมณ์คนหนึ่งในเมืองราชฤกตตนไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ภริยาเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้า มักเปล่งอุทานว่านโมตัสสะคราวหนึ่งนางพรามณีผู้ภริยาขณะนำอาหารมาให้สามีก้าวพลาดลงจึงอุทานว่านโมตัสสะพรามสามีได้ยินก็ไม่พอใจจึงว่านางตัวร้ายนี่ชอบพูดสรรเสริญแต่ความดีของพระหัวโลนองค์นั้นอยู่เรื่อยน่งตัวดีข้าจะไปปราบวาทศาสดาของแก่ นางพรมามณีตอบว่าแน่พ่อพรามฉันมองไม่เห็นว่าจะมีใครในโลกไห น, ไหนมาปราบวาทฆของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เอาสิพ่อพรามจะไปก็เอาไปแล้วก็จะรู้เองฝ่ายพรามทั้งโกรธอยู่นั้นก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้ว ก็ทูลถามเป็นคำร้อยกรองว่าข้าตัวอะไรเสียได้จึงจะนอนเป็นสุขเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าข้าความโกรธเสียได้ก็จะนอนเป็นสุขแล้วพระองค์ก็ทรงทําให้พรามเลื่อมใสได้อีกเรื่องหนึ่งพรามอีกคนหนึ่งรู้ข่าวว่าพรามตระกูลเดียวกับตนออกบวชอยู่กับพระพุทธเจ้า ก็โกรธจึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถึงก็บริภาษพระองค์ด้วยคาหยาบคายต่างๆพระพุทธเจ้าทรงปล่อยให้พราหมนั้นบริภาษพระองค์เรื่อยไปจนพราหมณ์หยุดไปเองเมื่อพราหมณ์บริภาษจนพอแก่ใจหยุดแล้วพระองค์จึงตรัสถามว่าขอถามในเถิดท่านพราหมณ์พวกญาติมิตรแขกเรือทั้งหลายนะ่ะมีมาหาท่านบ้างหรือเปล่า ทูนตอบว่าก็มีเป็นครั้งคราวตรัสถามว่าแล้วท่านจัดอาหารของรับประทานมาให้เขาบ้างหรือเปล่าทูลว่าก็จัดบ้างตรัสถามว่าก็ถ้าคนนั้นเขาไม่รับสิ่งของเหล่านั้นเล่าของจะเป็นของใครทูลว่าถ้าเขาไม่รับมันก็เป็นของฉั้นเองนะสิพระพุทธเจ้าตรัสตอบความว่า เอาล่ะเรื่องนี้ก็เหมือนกันที่ท่านมาด่าเราหนะเราไม่ขอรับคำด่าของท่านล่ะขอให้เป็นของท่านเองก็แล้วกันจากนั้นจึงได้ทรงสนทนากับพราหมณ์ต่อไปจนพราหมณ์เลื่อมใส ย, ยอมเป็นสาวกอีกเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปบินทบาทที่บ้านอุทยพราหมณ์ วันแรกพราหมณ์เอาเข้าวมาใส่บาตรถวายจนเต็มวันที่สองพระพุทธเจ้าเสด็จไปอีกพราหมณ์ก็ถวายอีกวันที่สามพระพุทธเจ้าเสด็จไปอีกพราหมณ์ก็ถวายอีกแต่คราวนี้พอถวายแล้วก็กล่าวว่าสมณโคโดมองนี้ติดใจจึงมาบ่อย พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบร้อยกรองเป็นคทถาเล่นคำโดยปฏิพานเป็นทำนองเตือนพรามโดยในยะว่าฉะไหนจะท้อถอยเสียการกระทําส่วนมากจะให้ได้ผลก็ต้องทำบ่อยๆดังนี้กศิกรก็หว่านพืชบ่อยๆฝนก็ต้องตกบ่อยๆชาวนาก็ต้องไถนาบ่อยๆรัจึงมั่งมีทัญญาหารบ่อยๆคนมาขอบ่อยๆ คนให้ให้ไปบ่อยๆคนให้ครั้นให้บ่อยๆก็ได้พบสวรรค์บ่อยๆคนรีดนมก็ยอมรีดบ่อยๆลูกวัวก็หาแม่บ่อยๆยอมต้องเหนื่อยต้องดิ้นรนบ่อยๆส่วนคนเคลาเข้าหาคันบ่อยๆแล้วก็เกิดก็ตายบ่อยๆต้องหามไปปราช้าบ่อยๆ คนฉลาถึงเกิดบ่อยๆก็เพื่อพบทางไม่ต้องเกิดบ่อยๆมีปัญญาพบทางไม่เกิดบ่อยจึงไม่ต้องเกิดบ่อยๆอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆกันว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปในบริเวณที่เขาเตรียมหวานข้าวทำนาขณะเขากำลังเลี้ยงดูกันอยู่ พระองค์ได้เสด็จไปประทับยืนอยู่ด้านหนึ่งพราหมณ์เจ้าของนาเห็นก็คิดว่าพระองค์มาขอบิณฑบาตจึงกล่าวว่าท่านสมณะข้าพเจ้าย่อมไถนาหวานข้าวรั้นแล้วจึงได้บริโภคแม้ท่านก็จงไถนาจงหวานข้าวและจงบริโภคเอาเถิดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ แม้เราก็ไถก็หวานเหมือนกันเมื่อได้ไถหวานแล้วจึงได้บริโภคพรามทูลว่าท่านสมณะข้าพเจ้าไม่เห็นท่านมีแอกมีไถมีผานมีประตักหรือโคเลยฉะนั้นท่านจึงมากล่าวว่าแม้เราก็ไถก็หวานเสร็จแล้วจึงได้บริโภคเหมือนกันและสนทนาเป็นกรอนสดซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบเป็นคาถาเช่นกันว่า เรามีศรัทธาเป็นพืชความเพียรเป็นฝนปัญญาเป็นแอกและไถเราไถนาอย่างนี้แล้วย่อมได้อมรลิศเป็นผลทำนาอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงขอจบเรื่องนี้โดยนำเอาดํารัตของพระเจ้าปเสนที่โกศลมาเป็นคำสรุปดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งหม่อมชั้นได้เห็นกษัตริย์บัณฑิตบางพวกผู้มีปัญญาสุ ข, ขุมสามารถปราบวาทะฝ่ายปรปักได้มีปัญญาเฉียบแหลมดุดจะยิงคนทรายได้ท่านเหล่านั้นเหมือนจะเที่ยวได้เอาปัญญาไปทำลายหลักทฤษฎีทั้งหลายของคนอื่นๆพอได้ยินข่าวว่าพระสมณโคดมจากเสด็จมายังบ้านหรือนิคมโน้น กษัตริย์เหล่านั้นก็พากันเตรียมปัญหาไว้ด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะพากันเข้าไปหาพระสมณโคดมแล้วถามปัญหาถ้าพระสมณโคดมถูกพวกเราถามไปอย่างนี้ตอบแก้มาอย่างนี้พวกเราจะปราบวาทะของพระองค์อย่างนี้ถ้าพระสมณโคดมถูกพวกเราถามอย่างนี้ตอบแก้มาอย่างนี้พวกเราก็จะปราบวาทะของพระองค์เสียอย่างนี้ ครั้นได้ทราบข่าวว่าพระสมณะโคดมสเสด็จมาถึงบ้านเรือนิคมแล้วก็พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่พระทับ พ, พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้กษัตริย์เหล่านั้นเข้าใจชัดให้เห็นตามให้แข็งขันให้บันเทิงด้วยทามีกาถาแล้วกษัตริย์เหล่านั้นก็ไม่ได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคที่ไหนเลยจะมาปราบวาท้าพระองค์ได้เล่า ที่แท้กลับพากันมาสมัครตัวเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ก็เป็นความเลื่อมใสอันเนื่องด้วยธรรมของหม่อมชั้นที่มีต่อพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งหม่อมชั้นได้เห็นพราหมณ์บัณฑิตลา ถ, ถึงคขรืหัดบัณฑิต สมณะบัณฑิตบางพวกผู้มีปัญญาสุขุมสามารถปราบวาทะฝ่ายปรปักได้มีปัญญาเฉียบแหลมดุดจะยิงขนทรายได้ท่านเหล่านั้นเหมือนจะได้เที่ยวเอาปัญญาไปทำลายหลักทิศดีทั้งหลายของคนอื่นๆพอได้ยินข่าวว่าพระสมณะโคดมจะเสด็จมายังบ้านอนิคมโน้นสมณะเหล่านั้นก็จะพา ก, กันเตรียมปัญหาไว้ พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้สมณะเหล่านั้นเข้าใจชัดให้เห็นตามให้แข็งขันให้บันเทิงด้วยธรรมีกถาแล้วสมณะเหล่านั้นก็ไม่ได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคที่ไหนเลยจะปราบวาทะของพระองค์ได้เล่าที่แท้ก็พากันทูลขอโอกาสกับพระผู้มีพระภาคเพื่อออกบวชเป็นบรรพชิต พระผู้มีพระภาคก็ทรงบันพชาให้ครั้นได้บันพชาแล้วเช่นนั้นท่านก็ปลีกตัวออกไปอยู่สงัดเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมุ่งมั่นเด็ดเดียวไม่นานเลยก็ได้รู้ยิ่งเห็นจริงกระทาสาเร็จซึ่งประโยชน์สูงสุดอันเป็นจุดหมายแห่งพรหมจรรย์อันเป็นที่ปรารถนาของกุลบุตรผู้ออกบวชทั้งหลายด้วยตนเองในปัจจุบันชาตินี้เอง ท่านเหล่านั้นพากันกล่าวว่าดังนี้ท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเราไม่พินาศแล้วสิหนอแต่ก่อนนี้พวกเราทั้งที่ไม่ได้เป็นสมณะจริงเลยก็ปฏิญาณว่าตนเป็นสมณะ ท, ทั้งที่ไม่ได้เป็นพราหมณ์จริงเลยก็ปฏิญาณว่าตนเป็นพราหมณ์ทั้งที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์จริงเลยก็ปฏิญาณว่าตนเป็นพระอรหันต์ บัดนี้พวกเราเป็นสมณะจริงแล้วเป็นพราหมณ์จริงแล้วเป็นพระอระหันต์จริงแล้วแม้ข้อนี้ก็เป็นความเลื่อมใสอันเนื่องด้วยธรรมของหม่อมชันที่มีต่อพระผู้มีพระภาคภาคผนวกนิเทศ อาทิตปริยายสูตรบรรยาในการประชุมทางวิชาการเรื่องธรรมะที่อธิบายยากในหลักสูตรวิชาศิลธรรมชั้นมสปลายนกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2513ภิกษุทั้งหลายทุกอย่างลุกเป็นไฟไปหมดแล้วลุกเป็นไฟเพราะอะไรเพราะไฟราคะไฟโทสะ ไปโมหะเพราะชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนต์อุปาญาตนิเทศอาทิตาปริยายสูตรในการพิจารณาพระสูตรนี้เพื่อทำความเข้าใจให้เป็นประโยชน์ในการสอนเห็นควรแยกพิจารณาเป็นสองตอนคือว่าด้วยเนื้อเรื่องตอนหนึ่ง และคำอธิบายเชิงวิจารณ์ตอนหนึ่งดังนี้ตอนที่หนึ่งเนื้อเรื่องที่มาอาทิตตปริยายสูตรเป็นพระธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลังจากตรัสรู้แล้วเป็นพระสูตรที่สามในพระไตรปิฎกบาลีมีที่มาสองแห่งคือ 1. พระวินัยปิฎกมหาวัค มหาคันธกะ 2. พระสุตตันตาปิดกสังยุตตานิกายสลายตนาวัรความย่อเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วณควงไม้โพใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาในแควนมะคตในปีมีพระชนมายุได้3 5าพรรษาพระองค์เสด็จพระทับอยู่ณตำบล น, นั้น เป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์จากนั้นจึงได้เสด็จไปยังป่าอิสิปัตนามรึกทายวันแขวงเมืองพารันสีในเขตแคว้นกาสีได้ทรงแสดงประทมเทศนาธรรมจักกับปวัฒนาสูตรโปรดภิกษุบเบนจวัคคีบรรลุอรหัตตผลระหว่างที่ประทับจำพรรษาอยู่หน้าป่าอิสิปัตนานี้พระองค์ได้โปรดพระยาะ ดามาดาภริยาเก่าและสหายของพระยศะะที่เป็นชาวเมืองพาราณสีสี่คนชาวชนบท50สคนตามลำดับจนมีภิกษุสาวกจำนวน60รูปจากนั้นได้ทรงส่งพระสาวกทั้ง60รูปออกประกาศพระศาสนาส่วนพระองค์เองได้เสด็จไปยังอุรุเวลาเสนานิคม ในระหว่างทางได้โปรดคณะสหายพัฒวคีจำนวน30สิรูปครั้นเสด็จถึงตำบลอุรุเวลาแล้วได้เสด็จไปยังอาสมของท่านอุรุเวลกัสปะซึ่งเป็นหัวหน้าชนดินผู้บูชาไฟจำนวนห0 0คนแล้วได้ทรงขอพักอาศัยอยู่ณที่นั้นในคราวนั้นได้ทรงโปรดอุรุเวลกัสปะผู้ถือตนว่าเป็นพระอรหรันต์ และเข้าใจว่าพระพุทธองค์ไม่ได้เป็นพระอระหันต์โดยทรงแสดงปฏิหารต่างๆเป็นอันมากจนในที่สุดอุรุเวลกัสปาชดินคลายทิฐิมานะยอมตนเป็นสาวกและทิ้งการบูชาไฟของตนขอบรรพชาอุปสมบทกับทั้งฉดินผู้น้องชื่อนาทีกัสปะพร้อมด้วยบริวารสา0ร้อยคนและขยากัสปะ พร้อมด้วยบริวาร200คนก็ได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทด้วยหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงนำพระภิกษุสงฆ์คณะใหม่ทั้งพันรูปสเสด็จไปยังตำบลขยาศีสะและณตำบล น, นี้พระองค์ได้ทรงแสดงอาธิตะปริยายาสูตรแก่พระภิกษุปุราณะชดินทั้งหนึ่งพรูปและด้วยพระสูตรนี้ พระภิกษุเหล่านั้นก็ได้บรรลุอรหัตผลในเรื่องนี้มีความที่ควรทราบเป็นพิเศษสองอย่างคือการบูชาไฟอันเป็นลัทธิที่นับถืออยู่เดิมของชดินอย่างหนึ่งและใจความในอาธิตาปริยายสูตรที่ทำให้ฉดินผู้ยอมละทิ้งลัทธิเดิมของตนมาสมัครเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ได้บรรลุอรหัตผลอย่างหนึ่งการบูชาไฟการบูชาไฟเป็นพิธีกรรมสำคัญมีมาแต่โบราณซึ่งจะเห็นได้ในลทัทธิศาสนายุคแ ร, แรกๆทั้งหลายเช่นการบูชายันของคนป่าในถิ่นต่างๆและในศาสนาโซโรอัสเตอร์เป็นต้นแม้ศาสนาพราหม ซึ่งเป็นศาสนาของชมพูทวีปสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นก็ถือว่าการบูชาไฟและการบูชายันเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งศา ส, สนาพราหมณ์ถือว่าประชาบดีเป็นเทพเจ้าผู้สร้างสัตว์โลกทั้งหลายแรกทีเดียวนั้นมีเทพประชาบดีอยู่แต่พระองค์เดียว พระองค์ได้ทรงพระดําริที่จะก่อกําเนิดสัตว์ทั้งหลายจึงได้ทรงบําเพ็ญตบะและได้ทรงประทานกําเนิดแก่เทพอัคคณีออกจากพระโอษของพระองค์เพราะเหตุที่เทพอัคคณีเกิดจากพระโอษของพระองค์อัคคณีจึงเป็นเทพผู้เสวยอาหารและเพราะเหตุที่เป็นเทพองค์แรกที่ประชาบปีทรงสร้างขึ้นจึงได้นามว่าอัคคณี คำว่าอักขณีรากศัพท์มาจากคําว่าอักขระแปลงเป็นอักขริมาแปลว่าเกิดก่อนมีก่อนอักขริมาแปลงเป็นอนักขณีบทบัญญัติในศาสนาพราหมณ์กําหนดให้ศาสนิกชนโดยเฉพาะพราหมณ์ต้องประกอบยัญย่าพิธีและการเส้นสูงสงเวย อ, อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะการบูชาไฟคืออะคีหุตตะในภาษาบาลีหรืออัคคณีโหตระในภาษาสันสกฤตจะต้องบูชาทุกวันเมื่อเริ่มต้นหรือสิ้นสุดวันและคืนหนึ่งหนึ่งและในวันเดือนเพนเดือนดับเป็นต้นไฟหรืออัคคณีมีบทบาทสำคัญยิ่งในยัญยะพิธีทั้งปวงในพิธีกรรมต่างๆ เมื่อถึงตอนสําคัญทุกตอนจะต้องมีการถวายเครื่องสังเวยหรือสวดอ้อนวอนแก่อัคคณีเทพเพราะถือว่าอัคคณีเป็นทูตของเทพทั้งหลายหรือเป็นสื่อกลางนําประดาะเครื่องเส้นสวงสังเวยขึ้นไปถึงเทพทั้งหลายเมื่อใส่เครื่องสังเวยเข้าในไฟนั้นถือว่าได้ใส่ลงในโอทของอัคคณีเทพเมื่อเปเลวและควันไฟพุ่งขึ้น ก็หมายความว่าองคตคณีเทพทรงนำเอาเครื่องเส้นสวงสังเวยขึ้นไปบนสวรรค์ที่ตามนุษย์มองไม่เห็นเมื่อขึ้นไปถึงสวรรค์แล้วองคตคณีเทพก็ทรงป้อนเครื่องเส้นสวงสังเวยนั้นแก่ทวยเทพผู้เป็นพระราดรทั้งหลายด้วยอดของพระองค์ดุดดังแม่นกป้อนเหยื่อแก่ลูกนกเะนั้นไฟมีบทบาทสาคัญอย่างนี้ จึงมีคำสรรเสริญไว้ในคำผีพรามว่าอัคคณีโหตระการบูชาไฟเป็นประมุขแห่งยันทั้งหลายแล้วว่าการเส้นสวงแด่อัคคณีเป็นกรรมประเสริฐสุดในบรรดายันทั้งหลายผู้บูชาไฟย่อมได้พลานิสงเป็นอันมากเช่นจะสมบูรณ์ด้วยโภกทรัพ์ฝูงประสุสัตและเพียรพร้อมด้วยบุตรหลานเผ่าพัน จนถึงอย่างที่คำภีพราหมว่าผู้ใดบูชาอัคนีโฮตระด้วยความเข้าใจความหมายโดยท่องแท้บากทั้งปวงของผู้นั้นย่อมถูกเผาผลาญหมดไปชะดินทั้งพันรูปมีอรุเวละกัสปะเป็นหัวหน้าซึ่งเป็นผู้ถือละทีบูชาไฟก็คงมุ่งหวังผลเหล่านี้ดังนั้นหลังจากที่ท่านมาบวชเป็นพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนาแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามในที่ประชุมอันนี้พระเจ้าพิมพิสารเป็นประมุขในเขตพระนครราชครึกว่าท่านผู้อยู่ในอุรุเวลามานานเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชดินผู้ผอมเพราะกําลังพรดท่านเห็นเหตุใดจึงละเลิกไฟที่เคยบูชาเสียเล่าท่านจึงตอบว่ายันทั้งหลายย่อมกล่าวขวัญ ให้ฝันฝฟแต่เรื่องรูปรถเสียงการมสุขและอิสตรีทั้งหลายข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมวลทินในอุปธิทั้งหลายจึงไม่ได้ติดใจในการเส้นสวงบูชาใจความของพระสูตรความในพระสูตรนี้อาจสรุปได้เป็นสี่ตอนดังนี้ นึงสภาพที่เป็นปัญหาพระพุทธองค์ทรงเริ่มพระสูตรด้วยพระดำรัสว่าสับพังพิกเวอาธิตตังแปลว่าพิษูทั้งหลายสิ่งทั้งปวงลุกเป็นไฟหมดแล้วจากนั้นตรัสขยายความต่อไปว่าสิ่งทั้งปวงที่ว่าลุกเป็นไฟไปหมดแล้วนั้นคืออะไรบ้างซึ่งเมื่อสรุปแล้ว สิ่งที่พระองค์ตรัสว่าลุกเป็นไฟมีดังต่อไปนี้จากสุรูจากขูวิญญาณจากขู่สัมผัสจากขู่สัมผัสสชาวเวทนาโสตคือหูเสียงโสตวิญญาณโสตสัมผัสโสตสัมผัสสชาวเวทนาคานะคือจมูกกลิ่นคานาวิญญาณคานาสัมผัส ฐานาสัมผัสสชาวเวทนาชิวหาคือลิน้นรสจิวหาวิญญาณจิวหาสัมผัสชิวหาสัมผัสสชาวเวทนากายผลทัพทพระสิ่งต้องกายกายวิญญาณกายสัมผัสกายสัมผัสสชาวเวทนามณะคือใจธรรมะหรือธัมมารมณ์ สิ่งที่รู้ได้ด้วยใจความคิดคำนึงต่างๆมโนวิญญาณมโนสัมผัสมโนสัมผัสสชาวเวทนาคำที่อาจเข้าใจความหมายไม่ชัดแจ้งคือวิญญาณหมายถึงความรู้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางประสาททั้งหหรือที่เกิดขึ้นในใจเช่นจักขุวิญญาณการเห็นโสตวิญญาณ การได้ยินเป็นต้นสัมผัสหมายถึงการมาบรรจบกันของอายตนะและวิญญาณเช่นจักขุสัมผัสการบรรจบกันของตารูปและจักขุวิญญาณสัมผัสสชาเวทนาจากจักขะสัมผัสสชาเวทนาเป็นต้นหมายถึงความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉย ที่เกิดจากสัมผัสนั้นๆพูดให้สร้าลงไปอีกก็ว่าอายตนะทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงผลธพะธรรมารมณ์ตลอดถึงการรับรู้ความเกี่ยวข้องและความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดจากอายตนะเหล่านั้นได้ถูกไฟไหม้หมดแล้ว หรือพูดอีกในย่าหนึ่งว่ากระบวนการรับรู้และความคิดคำหนึ่งทั้งหมดนั่นเองถูกไฟลามติดไปทั่วแล้ว 2. ส, สาเหตุเมื่อกำหนดตัวปัญหาได้และเข้าใจสภาพของปัญหาแล้วก็ค้นหาสาเหตุให้เกิดไฟหรือตัวไฟที่เผาผลาญนั้นต่อไป ได้ความว่าสิ่งที่กล่าวมานั้นลุกไหม้ด้วยไฟกิเลส3ามอย่างคือราคะความอยากได้ความใคร่ความติดใจความกำหนัดยินดีโทสะความโกรธความขัดใจความเดือดแค้นริงชังไม่พอใจต่างๆโมหะความหลงความไม่รู้ ไม่เข้าใจสภาพของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงและยังถูกเผาลนโหมด้วยไฟความทุกข์อีกมากมายหลายอย่างเช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าความครั่งครวญร่ำไรความทุกข์โทมนัสและความคับแค้นใจต่างๆ 3. ข้อปฏิบัติเพื่อแก้ไข พระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่าอริยสาวกผู้ดได้เรียนรู้แล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมนายในอายตนะภายในภายนอกตลอดถึงเวทนาทั้งหมดเหล่านั้นเมื่อนายก็ย่อมไม่ยึดติดสผลเมื่อไม่ยึดติดก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้น ก็เกิดยานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเป็นอันสิ้นชาติพบอยู่จบพรหมจรรย์ทำสิ่งที่จะต้องทำเสร็จสิ้นแล้วสิ่งที่จะต้องทำเพื่อเป็นอย่างนี้ไม่มีเหลืออีกเลยภาคผนวกตอนที่สองคำอธิบายเชิงวิจารณ์ ในการอธิบายเพิ่มเติมและวิจารณ์ความในพระสูตรนี้เห็นควรพิจารณาเป็นสองแง่คือในแง่วิธีสอนอย่างหนึ่งและในแง่สาระสาคัญหรือหลักธรรมอย่างหนึ่งในแง่วิธีสอนพระธรรมเทศนาอาทิตตปริยยสูตรที่ทรงแสดงแก่ชดินมีข้อควรสังเกตในแง่การสอนที่เป็นข้อสาคัญสองอย่างคือ 1. งส่งสอนให้ตรงกับความถนัดและความสนใจของชดินพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะทรงแสดงที่ใดและแก่ใครย่อมมีจุดหมายเป็นแนวเดียวกันคือมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วให้มีทัศนคติและปฏิบตัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้อง ในทางที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นแต่เนื้อเรื่องและวิธีการสอนย่อมยักเยื้องต่างกันไปตามอุปนิสัยความถนัดและความสนใจของผู้ฟังสุดแต่เรื่องใดวิธีใดจะช่วยให้เขาก็ใจทาได้ดีในกรณีของอาทิตตาปริยายาสูตรนี้ก็เช่นเดียวกันชะดินทั้งหลายเป็นผู้บูชาไฟ มีชีวิตเกี่ยวข้องกับไฟมาโดยตลอดประสบการณ์และความคิดคำนึงต่างๆงก็พัวพันอยู่กับเรื่องไฟบูชายันแม้เมื่อเลิกบูชาไฟแล้วเรื่องพิธีกรรมกิจวัตรที่เกี่ยวกับไฟก็ยังคงเต็มอยู่ในความทรงจำเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับการลุกไหม้เผาผลาญก็เป็นที่สนใจและชักจูงใจของฉดิน ให้เพลินคิดเห็นไปตามกระแสะพระธรรมเทศนาได้ง่ายยิ่งกว่านั้นยังได้ส่งเราความสนใจให้มากขึ้นโดยม่ได้ตรัสเรื่องกองไฟบูชายันที่ชดินจำเจ อ, อยู่และเบื่อหน่ายทิ้งมาแล้วแต่ส่งกระตุกความรู้สึกเหมือนให้สะดุ้งขึ้นว่าไฟนั้นมิได้ลุกไหมอยู่นอกกายไกลตัวเลยแต่ไฟนั้นลุกไหมเต็มอยู่ภายในตัวทั่วกายไปหมดแล้ว เป็นไฟที่ลุกลามไม่อยู่ตลอดเวลารุนแรงกว่าไฟภายนอกควรหันมาสนใจไฟนี้มากกว่าและแทนที่จะให้บำรุงบำรเรอให้เติมเชื้อกลับตรัสให้ไม่มีเยื่อใยยินดีเป็นทํานองให้ดับเสียด้วยซ้ําโดยในย่านนี้พึงตระหนักว่าการทรงแสดงเรื่องไฟเรื่องการลุกไหม้เรื่องอาทิตตะหรืออาทิตย์นี้ เป็นวิธีการยักเยื้องพระธรรมเทศนาให้ตรงกับอุปนิสัยตรงกับความประพฤติที่ได้สั่งสมฝึกอบรมมาเพื่อผลในด้านความสนใจและความรู้ความเข้าใจง่ายเป็นสำคัญส่วนสาระสำคัญก็คงมุ่งที่จะให้รู้ให้เข้าใจเรื่องของชีวิตนี้แล้วให้มีทัศนคติและปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันกับพระธรรมเทศนาเรื่องอื่น ในข้อนี้หากเทียบกับการทรงแสดงธรรมจากกัปปวัตนนสูตรและอันทะูตสูตรด้วยก็จะเข้าใจชัดยิ่งขึ้นธรรมจากนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุเบนเจวัคคีพระภิกษุเบนเจวัคคีนั้นแต่เดิมมีใจยึดมั่นอยู่กับการบำเพ็ญทุกรากิริยาว่าคนจะบรรลุธรรมได้ ต้องทรมานกายอย่างรุนแรงยิ่งทาได้ยิ่งยวดเท่าใดก็ยิ่งน่าเลื่อมใสสำหรับตนมากเท่านั้นแล้วรังเกียจความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายว่าเป็นสิ่งเสียหายลามกทีละทิ้งพระพุทธเจ้าเมื่อคราวทุกขกราคิริยาก็เพราะได้เห็นพระองค์เลิกทรมานพระกายเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักจึงทรงเริ่มต้นด้วยเรื่องที่สุดสองอย่างและมชิมาปฏิปทา เป็นการกระทบตรงความในใจของท่านเหล่านั้นส่วนในอันท่าูตสูตรผู้อ่านจะได้พบข้อความที่เกือบตรงข้ามกับอาทิตต ป, ปริยาญสูตรทีเดียวคือเริ่มต้นว่าสัพพังพิกเวอันทภาูตังแปล ว, ว่าภิกษุทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างมืดมิดไปหมดแล้วแล้วตรัสต่อไปว่า อะไรคือทุกสิ่งที่มืดมิดก็ได้คำตอบว่าจากสุรูปและอื่นๆอย่างเดียวกับในอาทิตตาปริยยยสูตรนั่นเองที่มืดมิดไปหมดแล้วดังนี้เป็นต้นเป็นการยักเยื้องพระธรรมเทศนาชักนำความสนใจและจูงเข้าสู่ธรรมอีกแบบหนึ่งสอง ส่งสอนให้ตรงกับระดับสติปัญญาและระดับชีวิตของเชดินข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงคำนึงถึงในการสอนคือความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของผู้ฟังทรงพิจารณาว่าผู้ฟังมีสติปัญญาอยู่ในระดับใดได้รับการศึกษาอบรมมาในทางใดมากน้อยเพียงใดดํเรงชีวิตอยู่อย่างไร จะต้องแสดงเรื่องอะไรเขาจึงจะรู้เข้าใจสามารถนำไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตของเขาได้ดังนั้นเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันแต่แสดงแก่ต่างคนนอกจากต่างวิธีสอนแล้วเนื้อหาสาระก็ต่างขั้นต่างระดับกันด้วยในกรณีของอาทิตตาปริยายสูตรชะดินทั้งหลายเป็นนักบวช สละโลกียวิัยออกมาแล้วมุ่งหน้าประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายสูงสุดของศาสนาอย่างเดียวและเป็นผู้ได้ศึกษาอบรมทางศาสนามาอย่างดีเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั้งหลายเรียกได้ว่าเป็นปัญญาชนระดับสูงสุดในสมัยนั้นและในเวลาที่ฟังพระสูตรนี้ก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาแล้วด้วย เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมจึงทรงชี้แจงหลักธรรมที่ลึกซึ้งที่ต้องพิจารณาด้วยสติ ป, ปัญญาอันละเอียดอ่อนอาศัยพื้นฐานการศึกษาอบรมมาพอสมควรเหมาะสำหรับผู้ดำรงชีวิตเป็นบรรพชิตและให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงขั้นกำจัดกิเลสาสวะได้ทั้งหมดเรื่องนี้จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถ้าได้เทียบกับพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องไฟที่ได้ทรงแสดงแก่คนอื่นๆเช่นอาคิสูตรที่ทรงแสดงแก่อุคตาสรีราพราหมณ์เป็นต้นในกรณีของอาคิสูตรอุคตาสรีราพราหมณ์เป็นพรามครองเรือนคราวหนึ่งพรามผู้นี้ตรัตเรียมพิธีบูชายันได้สั่งให้จัดโคและลูกโคตัวผู้ตัวเมียแพะและแกะอย่างละห้าร้อยตัว มาผูกไว้กับเสาหลักบูชายันเตรียมพร้อมที่จะบูชายันพรามณ์รู้สึกปีติยินดีในบุญกุศลที่ตนจะได้จากการบูชายันตามแบบของพราหมณ์จึงได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลว่าตามที่เขาได้เรียนรู้มาการก่อกองไฟบูชายันและการปักเสาหลักบูชามีผลมีอนิสงฆ์มากและทูลขอความเห็นจากพระพุทธองค์ในเรื่องนี้ พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟเหมือนกันแต่มีเนื้อหาและระดับคําสอนต่างออกไปอีกอย่างหนึ่งคือในอักขีสูตรนั้นทรงแสดงหลักธรรมสําหรับการครองชีวิตของคนทั่วไปที่ยังครองเรือนอยู่เพราะพราหมณ์ผู้ทูลถามยังเป็นครหอัดครองชีวิตอยู่ในโลกียวิสัยในพระสูตรนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไฟเจ็ดอย่างที่ควรได้รับการปฏิบัติเอาใจใส่ต่างๆกันโดยยึดเอาความรู้สึกและถ้อยคำต่างๆของพรามมาทรงแสดงในแนวใหม่ไฟเจ็ดอย่างนั้นแบ่งเป็นสามประเภทดังนี้ 1. ไฟที่ควรดับหรือควรหลีกเว้นสามอย่างคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะ เหตุที่ควรดับควรเว้นเพราะคนถูกราคะโทสะโมหะครอบงำย่ำยีจิตใจแล้วย่อมประพฤติทุจริตทั้งทางกายทางวาจาและทางใจได้เมื่อประพฤติทุจริตแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ไปเกิดในอบายทุกคติพึงสังเกตว่าในอาทิตตปริยายสูตรก็มีไฟสามอย่างนี้เหมือนกันแต่ในอาคีสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงในแบบง่ายๆเท่าที่เกี่ยวกับความประพฤติของคนในโลกทั่วๆไปมิให้ประพฤติการทุจริตเท่านั้นแต่ในอาทิตตปริยายาสูตรทรงแสดงในแง่ที่ต้องพิจารณาลึกซึง้งซึ่งเหมาะแก่การศึกษาของนักปรัชญาและนักจิตตาวิทยา 2. ไฟที่ควรบำรุงสามอย่างสำหรับไฟหมวดนี้พระพุทธเจ้าทรงนำเอาชื่อไฟศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่เดิมในศาสนาพราหมณ์มาทรงใช้ในความหมายใหม่และเรียงลําดับใหม่ต่างแต่ของพราหมณ์เป็นภาษาสันสกฤตของพุทธเป็นภาษาบาลีเท่านั้นซึ่งเท่ากับเป็นการล้มเลิกคําสอนเดิมของศาสนาพราหมณ์และทรงประทานคําสอนใหม่ไปด้วยพร้อมกัน จะให้ไว้ทั้งความหมายเดิมของพราหมณ์และความหมายใหม่ของพุทธศาสนาเพื่อเทียบกันดังนี้คาระหะปัดยักษณีไฟเจ้าบ้านคือไฟที่เจ้าบ้านรับสืบทอดต่อจากบิดาของตนและส่งทอดต่อไปยังบุตรหลานไฟนี้เจ้าบ้านต้องบำรุงไว้ให้ติดไม่ขาดสายและสังเวยเป็นประจำ เมื่อจะประกอบพิธีบูชายันก็จุดไฟบูชายันไปจากไฟนี้พระพุทธเจ้าทรงประทานความหมายใหม่ในชื่อภาษาบาลีและจัดเป็นลำดับที่สองว่าขาหาะหะปตกคิไฟเจ้าบ้านหมายถึงบุตรพัญยาคนรับใช้และคนงานอาหะวณียัคคณี ไฟอันควรแก่ของเส้นสวงคือไฟสำหรับรับเครื่องสังเวยในยันยะพิธีซึ่งจุดต่อออกมาจากคารหาปัตยักษคณีเมื่อจะประกอบพิธีบูชายันและตั้งไว้ทางขวาของคารหาปัตยักษคณีพระพุทธเจ้าทรงประธานความหมายใหม่ในภาษาบาลีและจัดเป็นลำดับที่หนึ่งว่าอาหุนยัคิ ไฟอันควรแก่ของคํานับหมายถึงมารดาบิดาทักษิณาคณีไฟด้านใต้คือไฟที่จุดต่อจากคาระหะปัฏยคณีและจัดตั้งไว้ทางทิศใต้ของท่านบูชายันใช้สำหรับรับเครื่องสังเวยที่อุทิศให้แก่ผีปีศาจและบูรพาบิดาในยันยะพิธี พระพุทธเจ้าทรงประทานความหมายใหม่ในภาษาบาลีว่าทักินนยักขิไฟที่ควรแก่ทักษีนาหมายถึงสมณพราหมผู้ประพฤติดีประพฤติชอบไฟสามอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าควรสักก า, าระเคารพนับถือบูชาจัดการบำรุงให้เป็นสุขด้วยดี ข้อสังเกตสำหรับไฟหมดที่สองนี้คือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เลิกการเส้นสวงบูชายันอันเหลวไหลเสียหันมาเอาใจใส่กับพันธะทางสังคมให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลธรรมุบำรุงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนให้ดีเพราะบุคคลเหล่านี้ก็เทียบได้กับไฟซึ่งต้องคอยเอาใจใส่เติมเชื้อบารุงให้ดีจึงจะเกิดคุณประโยชน์ดีงาม แต่หากปฏิบัติไม่ดีก็ให้โทษเป็นไฟเผาผลาญได้มากเช่นเดียวกันไฟหมวดที่สามไฟที่ควรจุดควรดับควรระวังตามสมควรได้แก่กัดทักคิไฟเกิดแต่ไม้หรือไฟที่ก่อขึ้นจากเชื้อสำหรับใช้หุงต้มเป็นต้นไฟอย่างนี้ควรก่อขึ้น ก่อและควรเอาใจใส่ระมัดระวังเสร็จแล้วควรดับแล้วควรเก็บไว้ตามกาละที่สมควรจะเห็นได้ว่าในอักคีสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องไฟในแง่คำแนะนำสั่งสอนสำหรับผู้ครองชีวิตมีเย่ามีเรือนอยู่ในค า, ารวาสวิสัยในกรณีอื่นอีก เมื่อตรัสถึงการบูชาไฟพระพุทธเจ้าตรัสสอนคติที่ควรยึดถือปฏิบัติสำหรับสังคมทั่วไปว่าถึงหากบุคคลผู้ใดจะไปบูชาไฟอยู่ในป่าเป็นเวลาตั้งร้อยปีการบูชาคนที่ฝึกอบรมตนแล้วชั่วขณะเดียวก็ยังประเสริฐกว่าการบูชาไฟนั้นการบูชาไฟตั้งร้อยปีจะมีประโยชน์อะไร ข้อนี้หมายความว่าพระพุทธองค์ทรงแนะนําให้สังคมหันมาช่วยกันยกย่องให้เกียรติคนดีเพราะเป็นสิ่งที่ให้คุณประโยชน์รักษาคุณธรรมของสังคมไว้ดีกว่าจะมัวไปหลงไหลในการเส้นส่งสังเวยอันเป็นเรื่องไร้เหตุผลอันเป็นการกระทำที่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญทั้งอย่างเป็นทางให้เกิดความเสื่อมเสียขึ้นในสังคมได้ ในเมื่อผู้คนมุ่งประโยชน์ส่วนตนคอยพเนาพนองเอาใจเทวดาที่ชอบเครื่องเส้นเป็นเหตุให้มีเทวดาประเภทนี้มาคอยคุ้มครองและแสดงอิทธิพลในหมู่มนุษย์เมื่อมนุษย์คบหาให้กําลังแก่เทวดาประเภทนักเลงประเภทชอบลาบสการะก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่เทวดาพูทตั้งอยู่ในคุณธรรมผู้ให้ความคุ้มครองโดยธรรมโดยสงบ ยอมจะเสื่อมถอยกำลังและปลีกตนหลบหลีออกไปอยู่โดยสงบไม่เป็นที่ปรากฏซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมมนุษย์มองเห็นได้ไม่ยากเมื่อเข้าใจวิธีสอนธรรมของพระพุทธเจ้าที่แตกต่างกันได้แม้ในเรื่องคล้ายกันโดยสัมพันธ์กับสติปัญญาและการดำรงชีวิตของผู้ฟังเช่นนี้แล้วจะได้ข้อเตือนใจว่า ในขณะที่อ่านหรือกล่าวถึงอาทิตตปริยายสูตรจะต้องรำลึกถึงเหตุผลในแง่การสอนให้เหมาะสมกับประดับสติปัญญาและการศึกษาอบรมไว้ด้วยและจะต้องตรหนักในใจเสมอว่าตนกำลังอ่านหรือกล่าวถึงหลักธรรมที่โดยปกติเป็นข้อสำหรับโถกเถียงและพิจารณาศึกษาของนักปรัชญาและนักจิตวิทยาทั้งหลาย นอกจากนี้เมื่อว่าตามเป็นจริงในปัจจุบันนี้นักปรัชญาและนักจิตวิทยาทั้งหลายก็กำลังศึกษาค้นคว้าถกเถียงวุ่นวายอยู่กับเรื่องเหล่านี้นี่เองหาพ้นไปได้ไหมในแง่าสาระสำคัญหรือหลักธรรม หลักธรรมที่เป็นสาระสำคัญของพระสูตรนี้เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งและกว้างขวางอย่างยิ่งในการอธิบายจะรวบรัดสรุปให้เหลือเล็กน้อยเป็นข้อสั้นๆก็ได้หรือจะอธิบายให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเรื่องอื่นๆพิสดารออกไปอย่างที่แทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดก็ได้สุดแต่จะใช้กลววิธียักเยื้องอธิบายอย่างไรในที่นี้ จะพยายามอธิบายสักแนวหนึ่งโดยสัมพันธ์กับใจความที่ได้สรุปไว้ข้างตน้น 1. สภาพที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นตัวการหรือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในพระสูตรนี้ได้แก่อายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะและเวทนาทั้งหลายที่เกิดสืบเนื่องมาจากผัสสะเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้ก็คือกระบวนการรับรู้และการคิดคำนึงทั้งหมดของบุคคลชีวิตทั้งหมดเท่าที่บุคคลรู้สึกก็ดีโลกทั้งโลกเท่าที่ปรากฏแก่บุคคลก็ดีความรู้ความเข้าใจทุกอย่างที่เกิดมีขึ้นแก่บุคคลโดยปกติก็ดีย่อมอยู่ในขอบเขตของกระบวนการรับรู้และการคิดคำนึงนี้เมื่อกล่าวในแง่หนึ่ง สิ่งเหล่านี้จึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับบุคคลข้อที่ว่าถูกไฟลามติดลูกไม้อยู่ย่อมหมายความว่าสิ่งเหล่านี้หรือกระบวนการนี้ตกอยู่ในภาวะรุ่มร้อนดิ้นรนกระวนกระวายมิได้ปฏิบัติหน้าที่ไปโดยปกติตามสภาพของมันเพราะมีไฟราคะโทสะโมหะเป็นต้น ที่จะกล่าวในตอนสาเหตุมาเผาล้นให้พลานให้กระสับกระส่ายให้พลาให้สับสนจนปรากฏอาการออกมาเป็นปัญหาต่างๆทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเบาทั้งรุนแรงทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวและปัญหาร่วมกันของสังคมพูดในมุมกลับว่าปัญหาต่างๆทั้งมวลของมนุษย์ทั้งส่วนบุคคลและสังคม สืบสาวต้นตอลงไปได้ถึงการที่ถูกไฟเหล่านี้เผาลนอยู่กล่าวโดยรวบรัดว่าในแง่บุคคลในขั้นรุนแรงคนถูกราคาโทสะโมหะเข้าแผดเผาลุ่มรุ่มผ ล, ลักดันจึงกระทำการทุจริตหรือแม้กรรมชั่วร้ายแรงต่างๆที่โดยปกติกระทำไม่ได้และทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆ ก่ต์นเองติดตามมาและเกี่ยวพันถึงสังคมในข้อต่อไปในขั้นละเอียดอ่อนแม้โดยปกติมนุษย์ปุถุชนย่อมถูกไฟเหล่านี้บังคับบัญชาการกระทาคำพูดความคิดตลอดจนทัศนคติต่างๆอยู่แล้วที่เห็นได้ง่ายๆคือปกติคนมีความอยากได้ก็ถูกความอยากได้ดึงไป หรือถ้าพูดให้เป็นไฟก็คือเผาให้ทนอยู่ไม่ได้เที่ยววิ่งพลานทยานหาสิ่งที่ต้องการเมื่ อ, อยังไม่ได้หรือไม่ได้หรือได้ไม่เท่าที่หวังก็เกิดความขุนมัวอัดอั้นหรือขัดใจเป็นทุกข์ได้สมหวังแล้วก็ปรารถนาต่อต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นไปในแง่สังคม ความขัดแยง้งการแย่งชิงการรังแก่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบประชดสร้ายกันระหว่างมนุษย์เกิดจากไฟเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญคนอยากได้ของสิ่งเดียวกันเกิดผิดใจกันแตกแยกและแย่งชิงกันคนชอบใจทำคนละอย่างก็แตกแยกกันไปด้วยกันไม่ได้คนเห็นแก่ตัวอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดก็หาทางเอาเรีบทาลายผู้อื่น บุคคลผู้เดียวในหมู่คณะหนึ่งไปกระทำผิดพลาดต่อคนในอีกหมู่คณะหนึ่งเป็นกรณีส่วนบุคคลแรงราค้าต่อฝ่ายตนและโทสะฝ่ายอื่นทำให้ไม่พิจารณาสอบสวนให้เห็นความจริงเกิดเป็นกรณีขัดแยง้งรบราค้าฟันระหว่างหมู่คณะพ่อแม่รักและหลงลูกจนเลี้ยงลูกผิดผิดให้ลูกเสียก็มากเป็นต้น ในแง่ความก้าวหน้าทางปัญญากลุ่มชนที่มีความเชื่อถือผิดผิดยึดถือลทัทธิทฤษฎีต่างๆโดยโมหะก็ทำให้ไม่สามารถพิจารณาสอบสวนค้นคว้าเห็นความจริงหรือเห็นเหตุเห็นผลของธรรมชาติได้เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าทางสติปัญญาแม้วิทยาศาสตร์วิทยาการวิธานวิทยาต่างๆ ที่เจริญก้าวหน้ามากมายทั้งหลายถ้ามนุษย์นำมาใช้ตามแรงผลักดันของไฟเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อหายนะของหมู่มนุษย์นั่นเองสรุปว่าอายตนะทั้งหลายที่เป็นเครื่องเชื่อมต่อระหว่างขันห้าที่เป็นภายในกับขันห้าที่เป็นโลกภายนอกให้เกิดการรับรู้และความรู้ต่างๆตามกระบวนการของมันนั้น ขณะนี้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามกระบวนการแท้ๆหรือตามสภาวะอาการลุ้นๆของมันแต่ถูกไฟต่างๆเผาลวนอยู่ตลอดเวลาเมื่อกระบวนการนี้ถูกไฟลุกไหม้ก็เกิดความระสำาราปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนคลาดจากปกติความรู้ต่างๆที่ได้รับก็บิดเบือนตัวบุคคลก็ไม่เป็นตัวของตัวเอง เกิดความสับสนวุ่นวายถูกครอบงำหรือลากจูงให้เอียงเอียงไปบ้างถูกรมให้มืดหน้าตามัวบ้างไม่สามารถกลั่นกรองวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยถูกต้องเที่ยววิ่งแล่นไปตามแหล่งของการรับรู้ที่ถูกไฟไหมถูกชักพาไปตามสายของการรับรู้นั้ น, น, นๆเกิดความยึดติดผัวพันตกเป็นทาตไม่เป็นอิสระ<ๆ>เกิดทัศนคติผิดพลาด ตัดสินผิดพลาดและปฏิบัติผิดพลาดต่อสิ่งทั้งหลายเมื่อตอนเองเดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็แผ่ขยายความเดือดร้อนวุ่นวายนั้นไปให้แก่ผู้อื่นด้วยบุคคลที่มีปัญหาในตัวเองก็ย่อมเป็นเหตุสร้างปัญหาแก่ผู้อื่นขึ้นด้วยคนที่มีแต่ความรุ่มร้อนกระวนกระวายในตัวแก้ปัญหาในตัวเองไม่ได้ จะอยู่กับชาวโลกสงบเรียบร้อยไม่ก่อปัญหาเลยไม่ได้ 2. สาเหตุในด้านสาเหตุย่อมอธิบายได้ทั้งในขั้นตื่นตื่นและในขั้นลึกซึ้งเมื่ออธิบายอย่างตื่นตื่นสาเหตุของปัญหานี้ ก็คือการถูกไฟกิเลสเผาลนให้ระส่ำระสายวุ่นวายอย่างที่กล่าวแล้วในตอนสรุปข้อหนึ่งแต่เมื่ออธิบายลึกซึ้งละเอียดลงไปก็ต้องสืบค้นถึงพื้นฐานซึ่งพอจะเห็นแนวทางดังนี้ชีวิตนั้นเป็นกระบวนการอันหนึ่งเกิดจากการรวมตัวกันเข้าของส่วนประกอบต่างๆซึ่งโดยสรุปได้แก่นามและรูป หรือขยายออกไปได้แก่ขันห้าส่วนประกอบเหล่านี้แต่ละอย่างมีการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการทำให้คุมรูปกันอยู่ดูเหมือนเป็นตัวเป็นตนแต่ในเมื่อเป็นกระบวนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกขณะก็ย่อมไม่มีตัวแก่นแท้ที่คงที่แน่นอนและในกระบวนการอันนี้เอง ที่มนุษย์เข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนและเข้าไปตั้งความปรารถนาไว้ทุกขั้นทุกระดับหวังจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในรูปที่จะให้มีตัวตนให้จงได้การดิ้นรนหวังให้มีตัวตนนี้ได้ปรากฏผลเป็นการดิ้นรนไม่เฉพาะในชีวิตของคนธรรมดาสามัญแต่ปรากฏตลอดประวัติศาสตร์วิชาปรัชญาทีเดียวเมื่อไม่มีตัวตน มนุษย์ก็พยายามที่จะสร้างตัวตนให้มีขึ้นในรูปใดรูปหนึ่งตั้งแต่การทามัมมี่เพื่อรักษาร่างกายไว้ให้ชีวพูดกลับมาเข้าร่างดังเดิมของชาวอียิปต์โบราณจนถึงปรัชญาของนักปรัชญาฝรั่งเศสชื่อเดคราทแห่งสตวตรรษที่ส7ผู้พยายามพิสูจน์ให้มีตัวตนให้ได้ยังวาท่าของเขาที่ว่าโคกิโตอริโกซุมซึ่งแปลว่า ฉันคิดเพราะฉะ น, นั้นฉันจึงมีซึ่งไม่พ้นไปจากทิฐิที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ไถ่ถอนมานานกว่า 2,500 ปีแล้วเมื่อมนุษย์มีความหลงผิดยึดถือและปรารถนาให้มีตัวตนอยู่เช่นนี้ในขณะเดียวกันนั่นเองกระบวนการแห่งชีวิตก็ตกอยู่ในกฎแห่งตร ล, ลักษณ์อันเป็นกฎธรรมชาติที่แน่นอนว่าทุกสิ่งไม่คงที่ ไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่อยู่ในอำนาจและไม่มีตัวตนที่แท้กฎนี้แสดงแก่ชีวิตในรูปแห่งชาติชรามรณนะเป็นต้นทั้งแบบหยาบตื้นและแบบลึกละเอียดจึงกลายเป็นอาการที่ขัดกันหรือฝืนความปรารถนาพูดเป็นภาพพจน์ว่าความยึดถือกับกฎธรรมชาติเกิดขัดสีกันขึ้นลุกเป็นไฟ อาการขัดสีหรือฝืนนี้ทําให้บุคคลเสริมซ้ําย้ําความยึดถือและความปรารถนาให้เหนียวแน่นและรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่เป็นความยึดถือด้วยความปรารถนาแบบกระวนกระวายและแสดงออกทั้งในระดับที่รู้สึกได้อันเป็นขั้นหยาบและขั้นที่ไม่รู้สึกอันเป็นขั้นละเอียดซับซ้อนอยู่ในจิตใต้สํานึกเมื่อสืบค้นลงไปในกระบวนการของจิตอย่างละเอียด จนถึงจิตไร้สำนึกก็จะพบเงื่อนงมว่าความกลัวต่อชาติชารามรณะเป็นต้นนี้มีซับซ้อนแฝงอยู่ในจิตใจของมนุษย์และคอยบัญชาพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์อยู่โดยที่มนุษย์เองไม่รู้สึกตัวความกลัวนี้เริ่มจากจุดที่มนุษย์ไม่รู้ไม่เข้าใจในสภาพที่แท้จริงแห่งชีวิตของตนจากจุดของความไม่รู้นี้ กระบวนการก็ดำเนินไปตามแนวทางแห่งหลักปฏิจจสมุปบาทและขั้นตอนที่สำคัญก็คือความขัดแย้งระหว่างความหลงผิดว่าเป็นตัวตนกับกระแสความเปลี่ยนแปลงตามกฎธรรมชาติหรือไตรลักษณ์ผลักดันตัณหาให้แสดงตัวออกในกระบวนการรับรู้นั้นซึ่งหมายความเลยไปถึงว่าไฟความทุกข์มีชาติชรามรณะเป็นต้น เป็นตัวผลักดันไฟกิเลสราคะโทสะโมหะให้ออกหน้าและแสดงฤทธิ์วุ่นวายพูดอีกอย่างหนึ่งว่าไฟทุกข์เกิดจากการประทะระหว่างกฎธรรมชาติคือไตรลักษณ์กับความหลงผิดยึดถือว่าเป็นตัวตนเมื่อปะทะกันแล้วไฟทุกข์ขับไฟกิเลสพลุ่งออกมาแสดงฤทธิ์เผาผลาญ จนปรากฏผลเป็นปัญหาต่างๆดังกล่าวมาข้างตน้นตราบใดที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่เข้าไปจัดการกับกระบวนการและไฟเหล่านี้อย่างถูกต้องก็เท่ากับว่ามนุษย์พาเอากองไฟหรืออาจจะถึงกับเป็นไฟนรกคุมหนึ่งติดไปกับตัวด้วยตลอดเวลาและเมื่อติดอยู่กับตัวประจำเช่นนี้ก็ย่อมไม่สามารถประสบความสุขที่แท้จริงยั่งยืนได้ สามการแก้ไขหนทางแก้ไขปรากฏชัดอยู่แล้วในพุทธดํารัตน์นี้ว่าอริยสาวกผู้ใดเรียนรู้แล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้คําว่าเห็นอยู่อย่างนี้หมายถึงการรู้การเข้าใจตามความเป็นจริงซึ่งกระบวนการอย่างที่เป็นอยู่เช่นนั้นเริ่มแต่เข้าใจสภาพของปัญหา การเข้าใจสภาพของปัญหาหรือการมองเห็นตัวปัญหานั่นเองย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญอย่างยิ่งเมื่อมองเห็นปัญหาที่ตนเข้าประสบอยู่แล้วก็สามารถถอนตัวออกมาตั้งหลักได้อย่างที่ตรัสว่าย่อมนายจากนั้นก็ไม่ยึดติดหลุดพ้นเป็นอิสระแต่ที่กล่าวนี้เป็นขั้นลึกซึ้ง ในที่นี้จะลองกล่าวถึงวิธีแก้ไขจัดการที่เลือกซึ่งไปตามลำดับขั้นขั้นที่หนึ่งขั้นต้นเมื่อมองเห็นโทษของไฟเหล่านี้แล้วก็ควรควบคุมให้อยู่ในขอบเขตไม่ให้ลุกลามรุนแรงถึงขั้นประพฤติทุจริตต่างๆหรือทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนเองและสังคม ขั้นที่สองขั้นกลางรู้จักฝึกฝนอบรมจิตใจรู้จักวิธีทำให้ไฟเหล่านี้สงบนิ่งอย่างน้อยเป็นครั้งคราวเหมือนอย่างไฟที่ไม่มีควันกลุ่มรุมไม่มีเปลวที่ลาบโฉภพึกพับอยู่ในสภาพสงบนิ่งย่อมทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นการทำจิตให้สงบนิ่ง ปราศจากการรบกวนของไฟเหล่านี้ได้แม้ชั่วคราวย่อมช่วยให้มีสมาธิอันเป็นกำลังเสริมให้เกิดปัญญาและทำการต่างๆเช่นการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นให้ได้ผลสำเร็จอย่างดีถ้าฝึกอบรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็สามารถทำสิ่งที่คนธรรมดาเห็นเป็นสิ่งวิเศษอัศจรรย์ได้ที่เห็นได้ง่าย และ ว, วิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็ทำกันได้แล้วก็คือในการสะกดจิตเมื่อจิตอยู่ในสภาพที่แน่วแน่ต่ออารมณ์อันเดียวปราศจากสิ่งรบกวนคนที่ถูกสะกดจิตก็สามารถทำสิ่งที่ตัวเขาไม่เคยสามารถทำได้ในยามปกติขั้นที่สขั้นสูงสุดหมายถึงขั้นที่เป็นใจความในพระสูตร ได้แก่ขั้นที่เกิดความรู้ความเข้าใจในสภาพของกระบวนการเหล่านั้นอย่างทองแท้สมบูรณ์ทำให้สามารถถอนตัวออกมาตั้งหลักอยู่ได้เป็นอิสระไม่ยึดติดหลงผิดว่ากระบวนการที่ลุกไม้ยอยู่นั้นเป็นตัวตนไม่ตกเป็นทาตถูกฉุดลากไปต่างๆแต่กลับเป็นนายรู้จักที่จะปล่อยให้กระบวนการนั้น ปฏิบัติหน้าที่ของมันไปอย่างถูกต้องได้รับความรู้ที่ไม่บิดเบือนและสามารถเข้าไปจัดการใช้แต่ในทางที่จะเป็นประโยชน์ข้อนี้เหมือนกับการที่มนุษย์จะเปลี่ยนฐานะาจาัด ก, การเป็นทาตของธรรมชาติกลับเป็นนายของธรรมชาติได้ก็ด้วยการรู้ความจริงรู้สภาพเข้าใจกฎเกณฑ์กระบวนการแห่งเหตุผลของมันเสียก่อน จากนั้นก็สามารถร่วมมือกับธรรมชาติรู้วิธีจัดการควบคุมให้ธรรมชาติดำเนินไปตามกฎของมันเองแต่เป็นไปตามแนวทางที่เรากำหนดให้มันได้เรียกกันเป็นํำนวนว่ากลับเป็นนายของธรรมชาติในขั้นสุดท้ายนี้ความรู้ความเข้าใจต่างๆที่ได้รับเข้ามาย่อมเป็นไปตามสภาพที่มันเป็นจริง และการเข้าเกี่ยวข้องจัดการก็ย่อมเป็นไปตามอำนาจปัญญาหรือตามเหตุผลไม่ใช่ตามอำนาจตัณหาอย่างแต่ก่อนในแง่สาระสำคัญหรือหลักธรรมข้อที่สผลผลที่ได้จัดการปฏิบัติตามวิธีแก้ไข ย่อมเป็นไปตามลำดับของขั้นนั้นๆในขั้นต้นเมื่อมนุษย์ควบคุมไฟให้อยู่ในขอบเขตที่สมควรก็ทำให้สังคมมีศีลธรรมอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตัวบุคคลเองก็มีจิตใจสงบร่มเย็นตามควรในขั้นกลางยอมช่วยให้มนุษย์ประสบสำเร็จผลในงานต่างๆด้วยดียิ่งขึ้นและมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น มีความสุขที่ประนีตขึ้นในขั้นสูงสุดทำให้มนุษย์หลุดพ้นจากความเป็นทาตของความหลงผิดทาตของกิเลส ท, ทาตของจิตใจตนเป็นอิสระกลับเป็นนายในขั้นนี้เรียกตามพุทธดํรรัตว่าอยู่จบพรหมจรรย์ทำสิ่งที่ต้องทำเสร็จสิ้นแล้วหมดกิจที่จะต้องทำเพื่อให้ได้เป็นอย่างนี้อีกคือเป็นอิสระอีก ที่หมดกิจก็เพราะได้รู้ได้เข้าใจถูกต้องหมดแล้วเป็นอิสระแล้วมีทัศนคพื้นฐานถูกต้องดีแล้วต่อจากนี้ไปกระบวนการรับรู้ต่างๆก็จะดำเนินไปตามจังหวะหน้าที่ตามสภาวะอาการที่แท้ของมันความรู้ที่เกิดขึ้นก็จะถูกต้องตรงตามสภาวะที่เป็นจริง การปฏิบัติและจัดการกับสิ่งทั้งหลายก็จะเป็นไปตามแนวทางของเหตุผลบริสุทธิ์เป็นไปในทางที่ก่อประโยชน์อย่างเดียวเป็นอันไม่ต้องมาคิดแก้ไขควบคุมและดับไฟกันอีกถ้าเทียบตามหลักโอวาทาปาฏติโมกขั้นต้นก็คงเป็นสัพพาปาปัสะอาการะนังไม่ทําชั่วทั้งปวง ขั้นกลางคงเป็นกุศลสุปสัมปทาทำความดีให้พร่างพร้อมและขั้นสุดท้ายเป็นสจิตตาปริโยธปนังทำจิตใจให้บริสุทธิ์สิ่งสำคัญที่พึงระลึกหนึ่ง เรื่องอาทิตตปริยยสูตรนี้อยู่ในวิชาพุทธประวัติหรืออยู่ในวิชาพระพุทธศาสนาส่วนที่เป็นประวัติของพระพุทธเจ้าพุทธประวัติส่วนที่นอกเหนือจากพระชีวประวัติส่วนพระองค์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการบำเพ็ญพุทธกิจหรือประวัติการทรงทางานสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้น มีมากมายทุกชั้นทุกประเภทว่าโดยระดับสติปัญญาก็มีตั้งแต่ฉลาดที่สุดถึงโง่ที่สุดตามปกติพุทธประวัติที่เล่าเรียนกันโดยเฉพาะที่ย่อๆย่อมจะกล่าวถึงเฉพาะงานสั่งสอนครั้งสําคัญสำคัญเท่านั้นบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงผจนในงานสอนครั้งนั้นๆมักเป็นชั้นคณาจารย์ หรืออย่างน้อยก็มีประสบการณ์ในการคิดค้นทางปรัชญามากสิ่งที่ทรงสอนก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้งเหมาะสําหรับปัญญาและประสบการณ์ของท่านเหล่านั้นและผลจัด ก, การสั่งสอนครั้งนั้นๆก็ส่งถึงขั้นบรรลุญาณวิเศษโดยเฉพาะอารหัตผลผู้ที่อ่านหรือเรียนพุทธประวัติตอนเหล่านี้ จะต้องสมมุติตนเป็นนักราชันคณาจารย์หรือเป็นนักบวชเหล่านั้นคบคิดเนื้อธรรมด้วยสติปัญญาและอยู่ในบรรยากาศแห่งการสอนครั้งนั้นด้วยตนเองจึงจะเข้าถึงรถอันเป็นแก่นธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ทาได้ยากถ้าจะเทียบให้มองเห็นง่ายๆอีกแง่หนึ่งเพียงปรัชญาของโซเครติสพลาโตและอริสโตเตล หากจัดให้นักเรียนชั้นมศ ส, อสถึงหเรียนเราจะหวังให้เขาเข้าใจได้สักเท่าใดข้อเปรียบเทียบนี้อาจไม่ตรงกันทีเดียวเพราะคำสอนของนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นเรื่องของนักคิดส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวการประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงแต่ในแง่ระดับสติ ป, ปัญญาของผู้ฟังก็น่าจะพอเทียบได้ไม่ไกลกันนัก เมื่อเป็นอย่างที่ว่ามานั้นถ้ายัางเรียนพุทธประวัติกันในลนนักษณะนี้ก็จะต้องตระหนักถึงความยากทั้งแก่ผู้สอนและแก่ผู้เรียนพร้อมทั้งชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงสาเหตุแห่งความยากนั้นกับทั้งควรหาโอกาสนาเอาเรื่องราวและคาสอนในระดับสามัญที่ง่ายๆมาสอนแทรกตามสมควร 2. ในการสอนด้านประวัติควรเล่ายงไปถึงภูมิหลังของสังคมแห่งชมพูทวีปตั้งแต่ก่อนพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นให้เห็นว่าคนยุคนั้นมีความเชื่อถือและเป็นอยู่ตามหลักของศาสนาพราหมณ์เช่นเรื่องพระพรมเทพเจ้าระบบวันนะการบูชายันเป็นต้นอย่างไรจากนั้นก็ชี้ให้ชัดว่า พระพุทธศาสนาสอนต่างออกไปและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรโยงมาถึงอาธิตาปริยายาสูตรนี้ถ้าผู้เรียนมองเห็นแง่นี้เรื่องราวก็จะน่าสนใจนักเรียนก็จะเข้าใจชัดและการเรียนก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นส่วนในด้านเนื้อหาหากอธิบายให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้เต็มบริบูรณ ตามความหมายของพระสูตรก็เป็นการดีแต่ถ้าได้อธิบายประยุกต์ในแง่ที่นักเรียนจะนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือเล่าให้นักเรียนได้ทราบคําสอนแนวเดียวกันหรือเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแก่คนอื่นๆซึ่งเป็นคําสอนขั้นเบื้องต้นและเหมาะสําหรับการดํารงชีวิตในขั้นต้นๆไว้ด้วยก็จะบังเกิดเป็นคนในประโยชน์แก่ตัวของนักเรียนมากขึ้น และจะช่วยให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นด้วย 3. อย่างไรก็ตามแม้คำสอนของพระพุทธเจ้าจะแตกต่างกันเป็นหลายระดับแต่สาระสำคัญที่เป็นการกลางก็เป็นแนวเดียวกันคือการดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาหรือมีชีวิตอย่อยางผู้รู้จักชีวิตรู้เท่าทันกระแสโลก ไม่งมงายปล่อยตัวตกเป็นทาตของกิเลสและความทุกข์และถูกฉุดลากจูงไปตามกระแสแต่สามารถมีชีวิตจิตใจที่เป็นอิสระอย่างน้อยก็รู้จักที่จะกลับไปเป็นนายบังคับควบคุมกิเลสของตนไว้ในแนวทางที่พึงปรารถนาได้บ้างโดยระลึกถึงพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาชีวิงชีวิตตมะหุเศษถังมีชีวิต เป็นอยู่ด้วยปัญญาราดกล่าวว่าเป็นชีวิตที่พระเสริสุดจบพุทธวิธีการสอนสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตอ่านโดยอริยคุณ หมายเหตุเพิ่มเติมจากผู้อ่านขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับปัญหาที่พึงยับยั้งเสียพึงคำหนึ่งถึงคำถามที่ไม่ควรตอบสำหรับบางคนเพราะตอบไปก็ไม่เข้าใจแต่สำหรับบางคนที่มีพื้นฐานหรืออุปนิสัยเหมาะสมก็ส่งตอบสำหรับคำถามที่ไม่ส่งตอบแน่ๆ คือคำถามเชิงอภิปรัชญาซึ่งส่วนใหญ่มักขึ้นต้นด้วยคำถามที่ผิดด้วยการถามถึงอัตมันหรืออัตตาที่เที่ยงแท้ถาวรว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ตายแล้วศูนย์หรือไม่ศูนย์เพราะอัตมันหรืออัตตาทเที่ยงแท้ถาวร น, นั้นไม่มีอยู่จริงไม่ว่าจะตอบแบบไหนก็ไม่สามารถตอบได้ตอบแบบไหนก็ผิดทั้งหมด อุบายประกอบการสอนข้อที่หการเล่นภาษาเล่นคำและใช้คำในความหมายใหม่เช่นคำว่าพรามที่เดิมหมายถึงผู้ลอยบาปผู้ผลบาปผู้ประเสริฐซึ่งข้อปฏิบัติของพวกเขายัางพ้นบาปไปไม่ได้ก็ทรงอธิบายความหมายใหม่ว่าผู้ปฏิบัติตามอริยมรกมีองค์8จนสาเร็จอรหัตผล จึงถือว่าเป็นพรามในความหมายว่าผู้ลอยบาปพ้นบาปได้อย่างแท้จริงข้อที่7การรู้จักจังหวะและโอกาสให้สังเกตว่าจารึกในพระไตรปิฎกได้แสดงตัวอย่างของพระผู้มีพระภาคไว้ว่าทรงรอความพร้อมของผู้ฟังเช่นกำลังเหนื่อยก็ให้พักผ่อนก่อนถ้ายังไม่ได้กินอาหารถ้าหิวก็หาอาหารให้กิน หรือให้อิ่มเสียก่อนเมื่อผู้ฟังพร้อมจึงค่อยแสดงธรรมเพราะคนเราถ้าหิวถ้าง่วงร่างกายอ่อนเพลียหรือฟุ้งซ่านจัดการจะสั่งสอนในเวลานั้นย่อมไม่ได้ผลหรือเข้าใจได้ยากจึงน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับการสอนธรรมะและการสอนในทางโลกหรือแม้แต่การถกปัญหาหรือตำหนิตักเตือนกันแม้ในระหว่างผู้ร่วมงานหรือในครอบครัว ที่ควรพิจารณาความพร้อมของผู้ฟังด้วยซึ่งเราจะได้เห็นข้อบุกพร่องนี้ในการให้เด็กหรือผู้เริ่มต้นไปปฏิบัติธรรมโดยยังไม่มีการเตรียมร่างกายที่ดีไปถึงวันแรกก็ให้อดข้าวอดนอนกันเลยซึ่งวิธีนี้จะเหมาะกับผู้ที่เคยฝึกมาก่อนหรือเตรียมพร้อมร่างกายมาก่อนแล้วเท่านั้นแต่จะส่งผลเสียมากเพราะเด็กจะเกิดความเข็ดขยาดในการฝึกปฏิบัต เพราะความง่วงและความหิวไม่สามารถทำให้ปฏิบัติธรรมได้หรือมีจิตใจที่สงบพอจะฟังธรรมได้เด็กหลายคนที่เคยไปปฏิบัติธรรมกลายเป็นการทรมานตนหรือใช้วิธีฝึกตนที่ไม่เหมาะกับระดับของตนซึ่งส่งผลเสียมากกว่าผลดีและทำให้เด็กจำนวนมากเกลียดการปฏิบัติธรรมหรือไม่เห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมและมองเป็นของไกลตัวที่ไม่มีทางทาได้ ไม่ได้รับความสุขใจจากการปฏิบัติธรรมเด็กที่โดนบังคับไปปฏิบัติในเวลาที่ไม่พร้อมและด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายและวัยของเขาจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับข้อที่9กาการลงโทษและให้รางวัลให้สังเกตว่าพระพุทธองค์ซึ่งเป็นบรมครูนั้น จะไม่มีการลงโทษด้วยการตีหรือทำร้ายร่างกายซึ่งก็ตรงกับงานวิจัยในสมัยปัจจุบันที่ระบุชัดว่าการลงโทษด้วยการตีนั้นส่งผลเสียในระยะยาวแต่วิธีที่ดีที่สุดโดยเฉพาะสำหรับเด็กคือให้แก้ตัวด้วยการทำดีซึ่งวิธีสอนและลงโทษที่ดีในทางจิตวิทยาสมัยใหม่นั้นค้นหาข้อมูลได้จากนิ้เรื่องวินัยเชิงบวกและเชิงลบซึ่งถ้าเข้าใจและปรับมาใช้ได้ จะส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีได้ยังถูกทางมากขึ้นนะครับสำหรับการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนนั้นโดยเฉพาะเด็กบางอย่างเธอเลี้ยงได้ก็ควรเว้นไว้ก่อนไม่ควรนำไปสอนเพราะความทรงจำวัยเด็กนั้นอาจเป็นข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการเข้าใจศาสนาได้ถูกและผิดในตอนโตได้มากนะครับอย่างเช่นเรื่องการสอนนิพพานว่าคือความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควร ควรอธิบายตามความเป็นจริงแบบง่ายๆแล้วเน้นย้ำกับเขาว่าถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องไหนก็ปล่อยผ่านไปก่อนเดี๋ยวโตอีกหน่อยก็จะเข้าใจได้เองแต่ไม่ควรส่งเสริมความเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นด้วยการบิดเบือนหลักธรรมมันร้ายแรงว่านิพพานคือความตายและควรเข้าใจด้วยว่าเด็กเล็กหลายคนก็เข้าใจเหตุผลได้และไม่ว่าพูดหรือสอนอะไรเข้าไปจิตใต้สํานึกหรือจิตไร้สํานึก ก็สามารถรับรู้และบันทึกข้อมูลไว้ได้ที่เราคิดว่าเขาไม่เข้าใจบางทีเขาเข้าใจมากกว่าที่เราคิดเพียงแต่ว่าคำอธิบายอาจต้องใช้อุปมาที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับวัยเท่านั้นซึ่งยุคนี้หลายเรื่องก็เข้าใจได้ไม่ยากนะครับให้สังเกตว่าเด็กเล็กหลายคนเรียนในโรงเรียนแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่พอไปดูรายการสารคดีในเชิงวิทยาศาสตร์ หลักข้าใจได้โดยง่ายและรู้สึกสนุกในการดูด้วยในการสอนบางเรื่องนั้นอย่างเช่นเรื่องประสูตุและทรงเดินได้เจ็ดเก้าความจริงก็ไม่ควรนำมาสอนหรือข้ามไปก็ได้แต่ถ้าจะสอนก็ต้องอธิบายซึ่งจะเห็นว่าการอธิบายว่าปาฏิหาริมีจริงได้อย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเด็กหรือแม้แต่คนทั่วไปซึ่งความจริงในทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ก็สามารถใช้หลักควันตั้มมาอาธิบายเรื่องพวกนี้ได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้าจะอธิบายแนวนี้ก็คงต้องรอให้โตสักหน่อยพอจะเข้าใจหลักการได้ก่อนซึ่งในความเป็นจริงถ้าจะสอนให้เข้าใจก็ต้องอธิบายพุทธวิธีการสอนให้เข้าใจด้วยว่าคมภีโบรา น, นั้นมีการสืบทอดมาอย่างไรการแปลศัพท์การเข้าใจความหมายเชิงลึกหรือบางอย่างไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่อาจเป็นการอุ ป, ปมาเปรียบเทียบ ที่ดูดเป็นเหตุเป็นผลให้เข้าใจได้ง่ายกว่าซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อความในพระไตรปิฎกนั้นหลายส่วนถ้าไม่เข้าใจพุทธวิธีการสอนและการสืบทอดพระศาสนารวมถึงกุสโลบายในการอธิบายธรรมและการใช้ภาษาหรือคำแปลศัพท์ที่ถูกต้องก็จะทำให้เข้าใจคำสอนในศาสนาได้ผิดหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ซึ่งในหลักการนี้สมเด็จท่านก็อธิบายไว้แล้ว แต่จะเห็นได้ว่าหลักการที่ท่านแนะนำไว้มากกว่า50ปีนั้นจนถึงในเวลาทำาสิ่งอ่านชุดนี้ในปีพุทธศักราชส5งพการสอนศาสนาในโรงเรียนดูว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าไรเลยก็หวังว่าในอนาคตผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะร่วมมือกันแก้ไขปรับปรุงให้หลักสูตรสอนศาสนาเหมาะสมกับเด็กแต่ละวัยให้ได้มากที่สุดนะครับ เสียงอ่านทุกเรื่องนั้นดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โจโฉดอทเน็ตซึ่งนำไปเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางโดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับขอทุกท่านร่วมอนุมโมทนากับผู้ร่วมจัดทำเพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้ มาริสาเจริญสุขครอบครัวสิริวัตรพลพรณพิวัฒนาเสวีวิไลวันกุลเพิ่มทวีรัตปัญญาโกจันแก้วตาแซ่เจียปทิตตาเชื้อทองสิตาสีบุญชูพจนาสำนักโนดค ร, รอบครัวงามสุริยพงศ์อังคณามนทาทิพกุลร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตท้ายเรื่องนะครับสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง